ขอกาขาาราบคาราพครูและมูสรสงด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอจเจริญธรรมธรรกดีพวกเราที่มาฟังธรรมที่รัติยโศกในวันนี้แล้วก็ขอจเจริญธรรมกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการวิธีอริยธรรมในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ํา มาเช้านี้ดูเบอร์เดบีคนใส่บาทค่อนข้างจะหนาตาทีเดียวทุกๆก็รู้สึกว่าอประเทศไทยเป็นปฐมนาพุทธเนี่ยมีวันพระนะวันพระไม่ได้มีคนเดียวนะแต่ว่าถ้าเขาความหมายว่าวันพระไม่ได้มีคนเดียวเนี่ยถ้าจะเป็นความหมายที่ทําให้คนได้ทําบุญทําความดีกันมากขึ้นก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่คนมีโอกาสได้ทําบุญกันทั้งปี ในวันนี้ดูเหมือนว่าพ่อครูเตรียมเรื่องสำคัญนะที่จะเอามาอธิบายขยายความกับพวกเราแต่ว่าดูดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคขัดข้องนะทางด้านขันทางด้านขันนิดหน่อยที่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่แน่ใจว่าพูดไปนี่จะมีไอ้ผัดไไอ้ครีมหรือว่า อ, อะไรออกมารบวากวนบ้างหรือเปล่านะงั้นวันนี้มาจะทําหน้าที่ย่างพ่อครูพูดมากขึ้นหน่อยนะตั้งใจว่าอย่างนั้นเลยนะแต่ของจริงๆแล้วของจริงๆแล้วเนี่ยจะไปนะเหมือนพ่อครูบินด้วยความเร็วเอฟสิบหกอ่ะนะแต่มาเฮลิคอปเตอร์หรือแมลงปอเนี่ยจะไปทันกันไหวหรือเปล่าเออสิ่งที่สิ่งที่พ่อครูถ้าพวกเราติดตามรับ ฟังอย่างมาตลอดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพ่อครูพยายามที่จะเอาสิ่งที่ทําอย่างไรอที่เราจะนะทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะเอาขันท่าหรือเอาร่างกายของเราเนี่ยนะที่มันประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนนะที่มันเป็นเครื่องกลอย่งทุกวันเนี้ย่ยนะ อย่างกันตมากาลังใช้กับคอมพิวเตอร์อยู่ทุก ว, วันเนี่ยจริงๆเราเราชื่นชมมันมากเลยว่ามันถ้าจะเป็นเครื่องมิเศษแต่ความจริงเราเอาเอาเพียงแค่ระบบสัญญาสัญญาที่ความจําในมนุษย์เนี่ยเอามาใช้เพียงเพียงเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะเรายังรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันมีความอัศจรรย์นะตอนนี้อยากจะรู้อะไรเนี่ยถามอาจารย์กูอย่างเดียวนะ อาจารย์กูเกิลจะบอกหมดนะให้คําตอบว่าใครเคยพูดอะไรไว้ทําอะไรไว้เนี่ยก็กดหาอาจารย์กูอาจารย์กูจะเก็บความจําทุกเรื่องทุกอย่างเอาไว้ในนี้หมดเรารู้สึกว่าแค่ระบบสัญญาณเนี่ยนะแค่ระบบความจําอย่างเดียวเนี่ยเราเอามาทดลองเอามาใช้กับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันมีความพิเศษมากมเลยคอมพิวเตอร์มันช่วยอะไรเราได้มากเลยที น, นี้สิ่งที่พอครู จะพยายามทำความเข้าใจกับเราเนี่ยให้เห็นว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีความพิเศษเพียงระบบสัญญาอย่างเดียวแม้เวทนาก็ดีแม้สังขารก็ดีแม้วิญญาณก็ดีมันมีความสุดยอดพิเศษอีกมากมายโดยเฉพาะที่ถ้าเป็นสภาวะที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเป็นสัญญาเวทยิสตานิโรธที่สัญญาก็ะสุดยอดเวทนาก็สุดยอดเนี่ย มันจะมีความวิเศษที่สดาลมากมายอย่างไรเนะพราะครูตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมเมอร์ทางวิญญาณนะคือจะผ่าตัดทุกวันนี้ระบบคอมพิวเตอร์ เ, รเนี่ยจะมัมีวินโด w ์เจ็ดวินโดว์แปดนะมาก็ถามเหมือนกันว่ามันแปดกับเจ็ดมันดีกว่ากันยังไงเขาบอกว่ามันยังไงมันมั น, ม, นมันทำ มันทามันเป็นรุ่นหรือเปล่านะันอัรมจากทรรมเดินครับไม่ได้แล้วนะแต่ผู้เชีย่ยวชาญก็บอกว่ามันก็ทำให้มันง่ายขึ้นแต่ตอนนี้พวกเรากำลังมาหาวิญญาณทิตฐิเจ็ดนะวีโมก8์แปดตวะเก้าซึ่งมันก็จะยากเหมือนกันที่พระครูจะพาวิญญาณออกมาให้เราเห็นนะ่ะคือให้เห็นถึงหน้าที่ถึงฟัง์ชันถึงการทำงานของระบบในตัวเราเนี่ย ถ้าเราอยากจะเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ยังไงเนี่ยแต่จริงๆคอมพิวเตอร์อย่างที่บอ ก, กมันมีตัวสัญญาตัวเดียวเนี่ยก็ยังโอโหเรียนกันยางยากมากเลยแต่พอครูจะพยายามให้เราเข้าใจเรื่องสัญญามันเป็นอย่างไรสัญญามันไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ความเข้าใจของศาสนาพุทธเนี่ยคือมันเหมือนกับพอคอมพิวเตอร์เจอเวลาสปุ๊บวิธีง่ายสุดก็คือดับเรือยกทิง้งโยนทิ้งไปเลยหรือ ชีวิตของด้วนเนี่ยพอเจอกิเลสหรือเจอปัญหายุ่งยากเนี่ยทางออกที่ดีสุดก็คือว่าพยายามดับมันซะสัญญามันยุ่งกับดับสัญญาซะเว ท, ยเวทยายะเวทนารับรู้อะไรมากๆทำให้ปวดหัวปวดหัวก็วดับเวทนาซะนะวิญญาณก็ก็ไม่รับรู้อะไรเลยยิ่งดับวิญญาณได้สนิทเลยก็สุดยอดเลยนะถ้าดับได้หมดเลยนี่ก็ของเขาว่าสัญญาเวทยิตตา น, นิโรธของเขาเหมือนกันนะแล้วเขาจะเข้าใจอย่างนี้ แล้วเขาก็จะเข้าใจถึงที่พ่อครูเนี่ยอธิบายมาไม่ได้เลยยังข้อความที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยเก็บอกว่าโพธิลักษณ์นี่เหมือนกับเปรียบได้มนุษย์โลกล้านปีบางเอิญไปได้หนังสือเล่มมาเล่มหนึ่งคล้ายกับพัฒาบิดกอันเป็นพัฒาบิดกเล่มที่หกยยเขารู้อะไรเยอะเลยนะว่าพพบ ครูกลาลังอ่านพระธรรมปิลกเล่มที่สิกมาอธิบายให้เรานะ่ะเป็นความรู้ชั้นสูงแล่ามนุษย์โลกล้านปีพพื่โพธิลักษณ์คนนี้พยายามนั่งแปลจรึงได้ออกมาเป็นความรู้ที่มั่วมากในสายตาของอริยะเช่นเราน่ะของเขาเนี่ยเขาก็เป็นอริยะนะน่ะแต่รู้สึกว่าคำพูดของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบางครั้งที่พบครูเอามาอ่านเนี่ยเขาก็จะพูดภาษานุ่มนวลหน่อยนะ่ะอริยะเช่นเราอะไรเงี้ย แต่เมื่อไหรที่สรงสงมาแล้วไม่อ่านเนี่ยก็จะชักเริ่มมึงมึกูกูแล้วจะเริ่มภาษาอะไรที่หยาบคายรู้สึกว่าอริยะ ข, ของของอริยะเช่นเราของเช่นเช่นเขาเนี่ยนะรู้สึกจะขึ้นขึ้นลงๆนะจะไม่ค่อยสอม่ำเสมอหน่อยถ้าอ่านให้ก็รู้สึกดีหน่อยถ้าไม่อ่านเนี่ยเรู้สึกว่าจะรู้สึกแสดงอารมณ์เขาจะใช้ภาษาหรือหรือเ ป, เป็นเป็นบางช่วงบางอารมณ์ก็ไม่ไม่แน่ใจก็ แต่เขาก็ทรุปว่าเนี่ยคืออัปต์ัป็นดอกมาแปรมามั่วมากนะในสายตาบริวารของชาวสวนมองว่าโพธิรักษณ์คือปรมาจารย์พ่อครูโพธิสัตว์สีเจ็ดส่วนในสายตาของชาวพุทธทั่วไปมองว่าคือแก่ดำนะก็เขาก็สุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเนียเ่ยพ่อครูเอาสัญญาเวทีตันยิโรดมาอ่านเนี่ยจริงๆแล้วนะ มันมันจะต้องไม่มีภาษาอะไรเนี่ยคือเขาก็พยายามจะจับจับเรื่องประเด็นเรื่องสัญญาเวทีตันนิโรจนเหมือนกันแต่ว่าความหมายสัญญาเวทีตเวทีตันนิโรจของเขาเนี่ยคือดับสนิทไม่รับรู้อะไรเลยนะพ่อครูก็มาพยายามทําความเข้าใจให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนำมาโยงมาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้พ่อครูรู้สึกว่าเป็นพ่อครูเตรียมมาอย่างดีเลยนะมันเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วนะ ที่จะมาเหมือนมันจะมาให้เราเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยแต่จะเข้าใจได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจความเป็นสัตว์นะได้เห็นอริยสัตว์ได้เห็นสัญญาวิปลาสได้เห็นอัตาอตตะหรืออตาเขาเนี่ยตั้งมาเขสึกว่าในความหมายเหล่านี้เนี่ย อ, อดูเหมือนแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ย คิดว่าจำมาลาดนี้คงไม่ผิดนะแต่เจตสูนาเนี่ยเขาเขาจะสะท้อนความเป็นสัตว์บางทีเขาก็เรียกพบครูบางทีไม่ได้ตอบละทีนึงเขาก็จะเขียนมาแบบเยอะแยันะไอ้ไฟเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ไฟเอ้ยอะไรเงี้ยคือจริงๆอันนี้อานนามคือกําลังจะประเด็นที่พบครูวันนี้จะให้เราศึกษาเนี่ยให้ศึกษาเรื่องความเป็นสัตว์นะแต่จริงๆความเป็นสัตว์เนี่ย มันคงไม่ได้เป็นวัวเป็นควายอะไรไปอย่างนั้นแต่ความเป็นสัตว์ในศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมารู้ความเป็นสัตว์ในตัวเราแต่เรากำลังไป ม, มองคนอื่นว่าเป็นควายก็ดีเราไปไปชอบใจยุคนี้ยุค ก, กลาลังการเมืองรุนแรงอ่ย น, นะเวลาไม่ชอบหน้าใครก็จะเรียกเรียกควายเรียกวัวกันมาเป็นฝูงเรีย ก, ยกตัวเงินตัวทองกันมาเยอะแยะแต่ยิงกันมารู้วรูว่าความเป็นควายหรือความเป็นอะไรที่เราไปกล่าวประนามเขาเนี่ยจริงๆ ถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราน่าจะเรียนรู้ความเป็นควายที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแต่เราว่าคนอื่นหนึ่งเป็นควายเนี่ยเราโกรธหรือเปล่าเราไม่ชอบใจหรือเปล่านะอันนี้คือเราเริ่มทุกข์ละเราควรจะเห็นอริยสัจนะเห็นเหตุแห่งทุกข์นะสิ่งเหล่านีนะ้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยสัญญาก็จะวิปลาสนะดีไม่ดีเห็นคนเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนก็เป็นเห็นคนเห็นคนเป็นหมาเราไม่ชอบใจขึ้นมาก็เห็นคนเป็นหมากําหนดหมายมันก็จะเกิดตัญญาวิปลาสทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอัตตะหรืออัตตาของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นบทบาทการกระทําที่ที่ธรรมะทึ่ว่าจริงๆแล้วคุณตัดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยเขาก็มาเป็นอุปกรณ์การสอนของพ่อครูในบทบาทดีลา ที่มาคิดว่าจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจะรู้ว่าเอ๊ความเป็นสัตว์เป็นยังไงสัญญาวิปลาสเป็นยังไงอัตตะหรืออตตาเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เขาวาลังดังเรื่องสืบจากศพนคือพ อ, อยังนศพคุณเอกกยุทธ์แล้วเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันแค่หวังหวังฆ่าเพื่อเอาทรัพย์หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นเป็นการอนำพรางคดีเป็นการนำพรางศพนมีอะไรมากมายไปกว่าที่หมอพรชิต เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าหวังเอาทรัพย์เท่านั้นอะนี่ก็ได้ฟื้นจากศพคือได้เห็นศพนะได้เห็นตบได้เห็นบนบาทลีลาของคนอื่นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นสัตว์เป็นปัญญาพิปรราัานเข้าใจเรื่องอัตตาอัตตาอะไรได้มากขึ้นอทั้งบทเนี้ยวันนี้พ่อครูมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะเขียนออกมาเรียบร้อยเลย เ, ยเพื่อที่จะให้เราเข้าใจระบบนะระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องจกักรเครื่องจกอักรกลพิเศษในตัวเราเนี่ยที่มันมี หน้าที่ทำงานโดยโดยที่เราจะต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ว่าคาว่ากายก็ดีคาว่าสัญญาก็ดีความว่าเป็นสัตว์ก็ดีคาว่าโอปปาติกาศสัตว์ก็ดีทั้งหมดนี้เราเราก็จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่ทจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นความตั้งใจอย่างมากที่พระครูตั้งใจเอาไว้ผถมาคิดว่าใช้เวลาพอๆทุกครู ม, ครมากเลยคงต้องขอกร า, ราบลาพรอครูต่อเลยครับอ่า <c oughs> ก่อนจะได้อธิบายจะได้สาธยายความอะไรจๆ ไ, ไปก็ทางหนังสือเราคิดอะไรก็ฝากให้โฆษณาเขาให้โฆษณาเรื่องว่าเราคิดอะไรจะครบรอบสิบเก้าปีโอ้แผลบเดียวเนาะสิบเก้าปีเกือบบรรลุนิติภาวะล้วอายุสิบเก้าได้ยี่สิบมันบรรลุนิติภาวะเราคิดอะไร เล่ม279ที่จะถึงข้างหน้านี้ตอนนี้เล่มกำลังจะออกนี่เล่ม276 276อีก277 278อีก2เดือนเดือนที่3ก็ครบ19ปีประจำเดือนตุลา2556บอกว่าเพื่อเพื่อสื่อ สำนึกขอบคุณมวลสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณที่ช่วยสนับสนุนให้กำลังใจเราตลอดมาสำนักพิมพ์จิงได้จัดพิมพ์หนังสือรู้คนขังสุกรู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์ชื่อหนังสือรู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์ มอบเป็นบรรณาการรู้คนขังสุขรู้คุกคขังสัตว์นี้ก็โดยปกครูสมณะโพธิรักแจกกุญแจเปิดประตูคุกนะแจกกุญแจเปิดประตูคุกคืออวิชาซึ่งกักขังสัตว์ไว้จนมืดมิดในวังวนแห่งอัจฉาะโล ก, กียสุขเพื่อออกมาสู่แสงสว่าง พ้นจากความเเขวซึ่งเมามานานนับชาติไม่ถวนสรรพสัตว์ไม่ว่าหญิงชายยากดีมีจนผู้ปรารถนาออกจากสังสารวัติอันน่าสลดสังเวชก็ควรศึกษาตำราเล่มนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเมื่อเกิดมาชีวิตก็ถูกจองจำในคุกเรียบร้อยแล้วมิหนำซ้ำบางคนกลับ ก่อกำแพงสูงสูงขังตนไว้อย่างน่าอนาถหาไม่มีวิธีที่ถูกต้องฉชไหนเลยจะออกจากคุกจากอคอกนี้ได้นะมอบแด่สมาชิกเป็นบนันดาการในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กขนาด16หน้ายกพิเศษใ น, ในวาระนี้ที่ท่านจะมีโอกาสร่วมสื่อสารแก่สังคมด้วยกัน แสดงความยินดีหรือว่าสนับสนุนลงโฆษณาองค์กรของท่านหน่วยงานของท่า น, นาลงได้อัตรมาไม่อ่านและหน้ารายละเอียดของราคาที่จะลงโฆษณาในหนังสือมันมีหนังสือเป็นสองเล่มเล่มเราคิดอะไรเนี่เป็นเล่มประจำอยู่ในนิตยาสารฉบับสองร้อยเจ็สิบเก้าแล้วก็มีเล่มแถมอีกเล่มหนึ่งคือ รู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์จะเล่มแถมเพราะเจ้าจะลงโฆษณาในหนังสือเราคิดอะไรก็ได้จะลงในหนังสือรู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์ก็ได้เขาก็มีอัตราอัตราต่างๆแต่มาบอกก็กล่าวแล้วกันว่าปกหลังนอกในสองหมื่นห้าพันปกในสองหมื่นปกหลังในหนึ่งมื่นแปดพันหน้ารองปก หน้าหลังนะปกหน้าหลังในสองหมื่นห้าพันหน้ากลางคู่ใทยประสงค์จะลงหน้ากลางคู่เลยนาเป็นสีเลยนะสอง0มื่นแปดพันถ้าครึ่งหน้าก็พันเอาก็1มืนหนึ่งถ้าหนึ่งส่วนสีหน้าก็หกพันส่วนหนังสือรู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์นั้นก็หนังสือขนาดร้อยห้าสิบคูณสองร้อยสิบ มิลลิเมตรนะปกหลังนอกนะปกหลังนอกขก้อหนังสือเล่มนี้มันเล่มเล็กกว่าเราคิดอะไรก็1มื่นห้าปกใน1มื่นหนึ่งปกหลังในแปดพันท่าน่าสามจําหมื่นสองพันางง้หน้าสามโอ้หน้าสามหนึ่งสองหน้าสามมื่นสองพัน เนื้อในหน้าหนึ่งห้าพันทักถึงหน้าสามพันถ้าเซนหนึ่งส่วนสี่หน้าพันห้าว่างั้นอ่พวกนี้เป็นสีนะนี่สีสีทั้งนั้นเลยที่อ่านเป็นี่ราคาสีสีถ้าขาวดำหน้าหนึ่งหน้าก็แปดพันขาวดำครึ่งหน้าก็ห้าพันอ่าเซนหนึ 4, ่งส่วนสี่ก็สามพันอ่าส่วนหนังสือเราอ่รู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์นั้นขาวดำจะ หน้าหนึ่งเต็มหน้าก็สามพันถ้าครึ่งหน้าก็พันห้าเช่นหนึ่งส่วนสี่ก็พันหนึ่งอย่างนี้ต้นนต้นอใครจะอนุเคราะห์การช่วยเหลือกันพวกเราไม่ค่อยได้หาโฆษณาอะไรเท่าไหร่หรอกก็บอกบุญกันไปแค่นั้นแหละพวกเราไม่ใช่นักที่จะไปเที่ยวเรี่ยไรไล่ลา่ลาหาเงิน ดูงใจไปเราประโลมโฆษณาอย่างโน้น อ, อย่างนี้น้มน้อมให้เขาจ่ายเงินมาให้เราอะไรนี่เราไม่ทำเราเอาจิต <c oughs> การที่จะบริจาค ก, ก็ดีการที่จะพยายามมีจิตใจจะสังเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจริงๆคือจิตของเราจะเกิดถ้าบริสุทธิ์ถ้าจิตเกิดบริสุทธิ์เราออเราศรัทธาเรื่องสายเรามีจิตใจ ต้องการจะช่วยอันนี้สมมตนต่างกันกับที่เราไปบาพยายามจะประโลมประเลาหลอกล่ออะไระอะไรมาให้เขาหลงลมไปแล้วก็มาบริจาคอะไรนี้มันก็ไม่เต็มหรอกมันถูกหลอกล่อถูกครอบงำแต่ถ้าเผื่ว่าเกิดด้วยปัญญาของผู้นั้นผู้นั้นเองเกิดด้วยจิตทางจิตสงเคราะห์จิตสังคหะของผู้นั้นเอง เกิดจิตโอ้อย่างนี้มันน่าส่งเสริมอย่างนี้มันน่าเสรสละอย่างนี้มันน่าให้ไปช่วยเหลือเฟือฟ่องฟายเกื้อกูลเอาไปใช้เอาไปทำประโยชน์อะไรเงี้ยอย่างนี้อา น, นิสงส์จะสูงนี่เป็นเรื่องสักดิ์และเรื่องความจริงราตมาจะพยายามที่สุดที่จะพยายามพัฒนาคนจะเห็นได้อาตมาพยายามที่จะอธิบายสั่งสอนอะไรก็ไรไปเนี่ยจะไม่พยายามปลอบประโลมหลอก ล, อล่ออะไร ทำแต่ความจริงเปิดเผยความจริงไปให้เข้าใจกันเมื่อผู้ที่เข้าใจความจริงแล้วเขก็จะเกิดจิตของเขาเองเขาต้องการช่วยเหลือแล้วก็ต้องการรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่รับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงของเขาไอ้ความรู้ของเขาแล้วเขาก็รับของเขาเองเต็มที่มันเป็นเรื่องเป็นความจริงอะเป็นเรื่องจริงบริสุทธิ์แล้วได้ประโยชน์สูง อาตมาต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสูงอย่างนี้ที่ทำงานทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรก็โอ้ดีไม่ดีหลอกล่อโกหกโ ก, โ ก, โกว่ายอะไรจะไรไปเรื่อยๆเถอะแต่ทังคมมันทังเหลีวแหลกนี่มันทั้งเสียหายไปหมดน่ะอา น, นี่ก็กลืนสียาวทีนี้ก็มาขึ้นเรื่องนะอาตมา ก, ก็ต้องขอบคุณคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าหน้าที่ คราวนี้นี่นะตั้งแต่วันที่สิบสี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบหกตั้งแต่วันที่สิบสี่นี่ห้าหน้ากระดาษ A4 เต็มเต็มเลยนะเอามาเรียงลําดับแล้วไล่มามาเก็บมาเรียงใส่หน้ากระดาษเต็มเต็มนะห้าหน้ากระดาษเต็มเต็มโอ้ขยันนะอาตมาก็คงจะอ่านทั้งห้าหน้ากระดาษนี่คงไม่ได้หรอก มันจะยาวไปอ้ตมาอ่านแล้วก็เก็บเอาความรู้เ อ, เอาความเข้าใจในประเด็นที่ควรจะพูดควรจะต้องมาพูดบ้างเพราะมีประเด็นที่เห็นต่างเห็นเหมือนก็มีนะมันก็เหมือนกันเห็นเหมือนกันตอนนี้ชักเหมือนเหมือนขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆแต่เห็นต่างก็มีอยู่ไปเรื่อย อาตมาก็เลยเห็นว่าเอาหยิบประเด็นมาอธิบายกันละกันก็ยังมีั้งห้าหกประเด็นเจ็ดประเด็นอาตมาหยิบมาแล้วก็เลยมาตั้งใจว่าเอาประเด็นนี้อธิบายไปกันละกันโดยที่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไปถกเถียงอะไรกันหรอกไม่ได้ไปแย่งไปแบ่งคมอวดดีปวดดีอะไรแข่งกันอะไรไม่ใช่เป็นการเสนอความเห็นนะมันมีความเห็นต่างกันได้ วลความเห็นของอาตมาก็อาตมาก็จะชี้บอกความเห็นเขาคุณนี่ก็อาจจะเอาขึ้นมาบอกเป็นตอนตอนนอก น, นั้นต้องจะยกตัวอย่างอะไรอะไรประกอบอยกเล่าเรื่องนั้นนี่มาประกอบอะไรเยอะแยะซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบเรื่องจิตเจตสิกนี่นะให้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวของจับคนบุคคลเราเขาอะไรพวกนี้ยมามาเปรียบเทียบ นะอุปมาเปรียบเทียบมันไม่ค่อยตรงหรอกยังไงยังไงมันก็เพียเพ้ยนๆอยู่ขึ้นต้นๆเลยนะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าโดยประมาหรือว่าความจริงแท้ที่ไม่แปรผันนั้นย่อมมีแต่ย่อมมีแต่หนึ่งรูปสองจิตสามเจตสิกสี่นิพพานนะ โดยเอาคำว่ารูปมาไว้ควาต้นเลยเลยน ะ, ะจริงๆแล้วเขาจิตเจตสิกรูปนิพพานโบราณอาจารย์หรือว่าท่านทั้งหลายหรือว่าที่ใช้กันอยู่ที่บรรยายกันอยู่แต่นี่เขาอุตส่าห์จับคำว่ารูปนัตมารู้เจตนาเพื่อจะจะยืนยันว่ารูปนี้มันไม่ใช่นามจิตเจตสิกนั่นมันนามนะ ส่วนรูปไม่ใช่เขาก็หยิบรูปมาไว้ทั้งๆที่ความหมายของผู้ที่บูรณอาจารย์ใส่เข้าไว้จิตเจตสิกรูปนิพพานรูปคำนี้มันหมายถึงรูปนามมารูปนซึ่งทำให้อัตมาเห็นเห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าคุณแปดเจสุนหานี่ยังยังไม่ชัดในความเป็นรูปเป็นนามนามมารูปหรือว่ารูปรูปอะไรอย่างนี้ยังไม่ชัดถ้าชัดจะไม่หยิบคารูปนี้ไป สลับไม่ข้างหน้าเขาหรอกนะให้มันผิดแปลกไปจากที่โบราณอาจารย์ท่านเรียงเอาไว้เพราะว่าคำว่า ร, รูปเขานี้มันไม่ใช่เรื่องขันถ้าขันแล้วก็รูปถ้าขันรูปเว็ น, นาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปอยู่ข้างหน้านะใช่นะพอเป็นของหยาบแต่อันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันไปอยู่อลำดับสามเราถูกแล้วจิตเจตสิกนี่จะถูกรู้เรียกว่ารูปนะอย่างนี้เป็นต้นนะคุณกาจจสุนทรบอกว่า ย่อมมีแต่หนึ่งรูปสองจิตสามเจตสิกสี 4, นน่นิพพานนะเท่านั้นโดยรูปก็เป็นเขคงเป็นรูปนะเห็นหมายืนยันซ้ําอีกว่ารูปก็คงเป็นรูปเทนั้นเนี่ยมันเป็นนามไม่ได้นะส่วนจิตและเจตสิกเป็นนามนี่ย้ํายืนยันส่วนนิพพานนั้นไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งนามโดยทั้งหมดมองในเปิดเท่ากับรูป จิตเจตสิกนิพานมงแล้ปิดนี้ต่างหาใช่สัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นบุคคลตัวตนมงล้เปิดเท่ากับอัตตามงล้ปิดเลยไม่ไม่ใช่สัตว์ตัวตนเป็นเทวดามารพรหมอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นแหละรูปจิตเจตสิกอะไรนี่เหมืนั้นแต่เพราะปุตุชนทั้งหลายยังไม่รู้ถึงความจริงแทหรือปรมาภินี้จึงย่อมจะยังเห็น เป็นบุคคลตัวตนในงเล็บเทวกาัตาหรือก็คือยังหลงอยู่ในความเป็นสัตว์มนุษย์ของตนอยู่นั่นเองส่วนอริยะหรือผู้ที่เห็นได้เห็นถึงปรมาทิตย์งเล้เปิดความจริงแท้มองเลปิดเห็นถึงปรมาทิต์แล้วจึงย่อมจะไม่เห็นเป็นสัตว์มนุษย์ไม่เห็นเป็นเทวดาไม่เห็นเป็นพรหม หรือก็คือย่อมไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนใดๆอีกแล้วนั่นเองเพราะย่อมเห็นเป็นแต่เพียงรูปกับนามที่กําลังเกิดดับสืบต่อโดยความเป็นทุกข์เป็นรูปกนามสืบต่อโดยความเป็นทุกข์มัเลยเปิดก็ด้วยเหตุนี้ก็ด้วยเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามัเลยปิดเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองทั้งนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะ ที่อริยะได้ละความเห็นผิดที่ยึดถือโดยอุปทานว่าเป็นบุคคลตัวตนต้งเรียกเท่ากับอัตตาหรือคือได้ละสักกายทิฏฐิแล้วนั่นเองอคือคุณแปดเจตุณ่าบอกว่าผู้ที่ละความเห็นผิดนั่นเป็นอริยะละความเห็นผิดแล้วเนี่ยก็จะหมดอุปทานเลยอไม่เมื่อไม่เห็นผิดแล้วเห็นถูกแล้วก็จะหมดอุปทาน ไม่ยึดว่าอที่เห็นเนี่ยร่างกายคนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็จะไม่ไปหลงว่าเป็นตัวตนบุคคลอะไรนะใกล้ๆใกล้ๆกัก็กกาว่าจะศพแล้วนะใกล้ๆกับว่าจะศพในหนังสือในนิยายเรื่องการมนิตฐ์เนี่ยว่าจะศพทุกอย่างมันก็มีแต่สิ่งที่ประกอบกันอยู่ไม่มใช่ตัวตนบุคคลอะไรหรอกเอาดาบฟันลงไปในร่างกายเอาฟันลงไปใน ไอสิ่งที่มันประกอบกันอยู่ตอนนั้นเองมันไม่มีอะไรนะไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรหรอกนะพวกนี้จะเข้าใจเชิงเป็นอย่างนี้นะก็คือโยโยเป็นโจรไงกว่าจะศกเป็นโจรเพราะฉะนั้นก็สอนอลูกน้ อ, นองว่าโอ๊ยฆ่าคนไม่บาไม่เบริรไอะไรหรอกมันโดยประมาทโดยเรื่องรึกซึ่งแล้วมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรหรอกนะมันเียงเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นมาตอนนั้น เอาดาบฟันเข้าก็เหมือนฟันไปในที่ว่างไม่มีอะไรดูเหมือนจะเป็นจากเรื่องมหาภารตะไม่ใช่เรื่องการมณิทว่าจะจบเลยครับอ่ามันจะสมในเรื่องกามณิทนี่คุณชักจะเอาไปปนกันพราตะไม่มีว่าจะสบหรอก <c oughs> พรารตานะนี่มันเรื่องยิ่งใหญ่เขาเป็นเรื่องนีว่าจะจบในมันเรื่องเขาบอกอรชุนไม่ใช่เลยครับว่าจะจบนี่มันเรื่องแต่งของการมณิทกาเป็นคอนเซ็ปต์วาจะเปลี่อนเซมาแปล อ่มั น, นเขียนเยอรมันชื่ออะไรแต่ผมไม่ได้จำนะหรือคือได้ละสักกา ร, ระทิฏฐิแล้วนั่นเองเพราะงั้นเขามีความเห็นของคุณปัจจศูนย์หน้าในบอกว่าถ้าเผือว่าผู้ใดนี่นะละความเห็นผิดแล้วละโดยที่ว่าไม่มีอุปทานว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเลยเนี่ยผู้นี้คือผู้ได้ละสักกา ร, ระทิฏฐิแล้ว อาตมาทำให้อาตมาเข้าใจว่าการละสักกายทิฏฐิของความหมายของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นการละง่ายๆในเชิงตักกะในเชิงเหตุผลเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วสั ก, กายนี้คือความเป็นตัวตนที่มีสภาวะธรรมที่คนนั้นอุปทานจริงๆยึดจริงๆเป็นการยึดและก็มีสภาวะที่ยึดติด ถ้เข้าใจคำว่าตัวตนในวันนี้อาตมาจะอธิบายทั้งตัวตนอธิบายทั้งความเป็นสัตว์ทั้งอริยสัตว์สีทั้งสัญญาวิปลาดดังที่ท่านเดินดินได้เกินไปแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของรูปของนามแม้แต่เรื่องอรหันต์ก็จะอธิบายไม่พิจารณ์ไม่ทันอภวรกันไปเท่าที่ได้ดูเหมือนว่าตักกะทิฐิในความเข้าใจของคนทั่วไปก็ได้เข้าใจอย่างนี้ครับผมตั้งแต่ฟังอาจารย์สวัยแก้วสมมาก็จะสักกายทิฐินี่ขอครับ เอาตรงนี้ก่อนกันได้ส ก, กายะเนี่ยก็คือกายคําว่ากายแหละสกายะสต ก, กายะนี่คําว่ากายมาจากตัวหลักคือคําว่ากายแต่ว่ากายอันสัตกระนี่แปลว่าใหญ่ใหา่ใหญ่บเบลฟ์เธอเลยสัตเพราะงัยในความหมายของส ก, กายะก็คือสภาวะทำอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอัตตานี่ยแหละ อัตตาที่มันประชุมกันองค์ประชุมของอัตตาเมื่อประชุมกันขึ้นมาแล้วอเป็นนามธรรมานะไอ้ น, นี่ไม่ใช่รูปธรรมเลยมันประชุมกันขึ้นมาเป็นองค์ประชุมขึ้ น, นมาตายานี่คือองค์ประชุมองค์ประชุมของนามธรรมาแล้วมันก็มายึดกันมายึดมันถือมันว่าเป็นเชนั้นเป็นเนนี้จริงอย่างนั้นจริงอย่างนี้ไปเลยอ จะจริงน้อยจริงมากจะยึดมั่นถือมั่นมากน้อยมันมีการยึดจริงๆอุปทานมันมีอาการของเจตสิกอุปทานเจตสิกของเราเป็นกิเลสเนี่ยมันยึดเป็นอาการจริงๆไม่ใช่เข้าใจสักกายะละสักกายะทิฏฐิคือพอเข้าใจแล้วว่าอมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเลิกเลยมันไม่ง่ายดายขนาดนั้นรอกนอันนั้นมันเป็นตัวจบตัวจบที่ว่านี่ก็คือหมดสักกายะจริงๆสักกายะหมดแล้ว มันก็คือตัวอย่าบหดและอัตตาต่อๆมาก็ตามๆเห็นอัตตาต่างๆพระสักกยะนี่คืออัตตาอัตตาคํากลางเป็นคำว่านาวที่อจตมาหมดแล้วแต่สักกายะนี่เป็นพระพุนาวเป็นภาวะสภาวะธรรมที่เราชัดเจนตัวนี้แล้วเรามีญาณยังรู้ตัวนี้แล้วส่วนอัตตานั้นก็คือตัวตนที่มันกว้างๆพูดเปยๆไปไปลายเหมือนกับคำว่าคนเนี่ยก็ปไปปลายไปกว้างคน คล้ายๆก็คนน่ะคล้ายๆผู้หญิงผู้ชายคนเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็คนแต่มันมีจำป้อนออกมาแล้วคนคนไหนอะชื่ออะไรจำป้อนคุณรู้จักไหมอันนี้มันรู้จักเลยทิฏฐิตัวนี้ไปปฏิบัติจนกระทั่งเห็นปัสติเห็นตัวนี้เลยสัมผัสรู้เห็นตัวนี้เลยเรียกว่าสัตยติทิฏฐิแล้วก็กําจัดตัวนี้พราะกำจัดแล้วตัวอัตตาตัวนี้สัตยญติทิฏฐิก็จะจางคลายลดน้อยลงเป็นอัตตาที่ตัวน้อยลง จนตัวสุดท้ายตัวปลายเรียกว่าอาสวะตัวเหลืออัตตาตัวน้อยที่สุดตัวปลายสุดตัวท้ายสุดตับอาสวะตัวตนตัวท้ายหมดจบสิ้นอาสวะก็หมดตัวตนเพราะจะละตัวตนเนี่ยเรียกว่าจะล้างไออาการที่เราเยึะเราติดได้มันต้องล้างถึงขั้นอาสวะอมันต้องล้างถึงขั้นอาสวะตัวตนที่เป็นอาสวะ นะ่ะเพราะงั้นเข้าใจความจริงโดยพยัญชนะที่ท่านสอนก็ดีสภาวะก็แน่นอนก็ต้องเข้าใจถ้ายิ่งเข้าใจสภาวะแล้วพยัญชนะจะกําหนดตรงนี้มันจะชัดมันจะง่ายส่วนคนที่ไม่ค่อยมีสภาวะมีแต่พยัญชนะนะก็อย่างนั้นนะก็พูดพยัญชนะซึ่งกันต่อมาว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าใจง่ายๆเห็นได้ที่เข้าใจนะเอางี้ น้าอาตมาก็จะเริ่มต้นอธิบายไปเรื่อยๆเอาเอาว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอาตมาขออธิบายความเป็นสัตว์ก่อนความเป็นสัตว์น้าเพราะงะั้นถ้าบอกว่าเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันมีแต่รูปกับนามมันไม่มีความเป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลเราเขาได้หรอกจบเป็นอริยะแล้ว อ, อันนี้คือความง่ายมักง่ายเห็นง่ายๆนึกว่า ธรรมระพุทธเจา้านั้นตื่นง่ายๆไม่คำภีราตุจซาตุรุณโพธาไรหรอกธรรมอุจน์นั้นง่ายจะตายทําความเข้าใจอาตมาว่าอย่างที่คุณแปดเจ็ดุนทรพู้นั่นอาตมาพ อ, พอพอมีสมองหรือมีความฉลาดบอ่กเข้าใจได้อยู่ อ, อย่างที่คุณไอ้ น, นันมาเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงสภาวะยังไม่ถึงความจริงมันเข้าใจก็คือเข้าใจอหละความเข้าใจหรือความ การเข้าใจคือทิฏฐิเนี่ยความเข้าใจความเชื่อความเห็นเบื้องต้นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความเป็นสัตว์โดยเฉพาะความเป็นสัตว์ทางนามธรรมาไม่ใช่สัตว์ที่เป็นร่างกายสัตว์ที่เอาร่างกายเป็นเครื่องหมายเป็นตัวกําหนดสี่ขาสัตว์สองขาสัตว์แปดขาหกขาหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บินสัตว์นก สัตว์น้ำสัตว์บกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวร่างกายพวกนี้ในความเป็นสัตว์พวกนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์พวกนี้นะถูกต้องแต่มีความเป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์โอปปาติกะอภิธรรมีว่าสัตตาโอปปาติกาพระพุทธเจ้าท่านสอนทิฏฐิสิบเอาไว้เอสอนทิฏฐิสิบเอาไว้ ข้อหนึ่งให้รู้จักทานเข้าใจความเป็นทานที่ปฏิบัติทานแล้วมีผลมีผลละลดกิเลสนะทาให้กิเลสลดละจางคลายไปได้ก็เป็นการปฏิบัติที่เดินทางไปสู่นิพพานแน่ต้องเข้าใจก่อนว่าปฏิบัติอย่างไรนะปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเพราะนิพพานจะเป็นนิพพานได้ต้องรู้ในจิตวิญญาณในจิตใจหรือรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละรูปอภิธรรม รูปธรมรมตธรรมพวกนี้ได้อ่านออกถ้าไม่เข้าใจแล้วว่าเราจะทําใจในใจอย่างไรจึงเรียกว่าโยนิโสมมณสิการต้องทําใจในใจอย่างถ่องแท้อย่างแยบคายอย่างละเอียดต้องเข้าใจซะก่อนว่าจะทําอย่างนี้นะต้องรู้ซะก่อนเป็นแผนที่ต้องรู้ซะ ก, ก่อนเป็นตําราเป็นความหมายเป็นความรู้เบื้องตน้นปริยัติแล้วค่อยไปปฏิบัติเพราะฉะนนั้ถ้าเข้าใจปริยัติยังไม่ท่วนไม่ถูกไปปฏิบัติมันก็ไม่ถูก ไม่ครบเพราะั้นปฏิบัติอย่างไรทานทิ น, นังนัติทิ น, นังปฏิบัติทานก็ไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดผลที่จะละล้างกิลเลสไรเลยและเป็นจริงๆด้วยมากเลยเพราะว่าไม่ได้สอนกันมาเป็นลำดับลาดับ่าสมาธิข้อต้นเลยเนี่ยในมาคองแปดเนี่ยสมาธิเป็นข้อต้นถ้าเพื่อเข้าใจมายละเอียดในเรื่องทานเรื่องยิดถังวิธีปฏิบัติ ยึดฐานคือวิธีปฏิบัติยันยาพิธีท่าเรียกว่ายันยาพิธีก็แปลวิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรมันเป็นผลรางกิเลสทาใจในใจอย่างไรมานสิการเหมือนกันการทําใจในใจทําให้มันเกิดการลดละอย่างไงปฏิบัติแล้วก็จะกําหนดตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้ น, นปฏิบัติมีการสัมผัสแต่ต้องตา่างหูจมุกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็ปฏิบัติไม่ใช่ลืมทานนะและต่างกันท่านยึงแยกมาเป็นอีกข้อนึง ก็ต้องเข้าใจว่าเออปฏิบัติอย่างนี้แหละตามหุม่นจมูกลื่นกายาสัมผัสแล้วปฏิบัติแล้ววิธีปฏิบัติทํำยังไงอ่านยังไงและปฏิบัติอย่างไรประหารยังไงกิเลสยังไงรู้จักกิเลสยังไงสัญญากําหนดรู้กิเลสยังไงอะไรงี่เป็นต้นเมื่อสามารถอ่านตัวกิเลสออกตัวสักกายยะนี่แหละตัวการอัตมาแปลว่าตัวการสักกายเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยอ่านออกแล้วก็ จับอาการได้ได้ยิ่งเมื่อเกิดผัดสัตว์ตากระทบรูหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสอะไรต่างๆนานาพวกนี้ยิ่งเห็นแล้วสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดอาการเป็นสัตว์ก็ต้องเข้าใจความเป็นสัตว์คำว่าสัตว์โอปปปาติกาเนี่ยอยู่ที่ข้อก้าของที่ที่สิบนะอยู่ในข้อก้าวเพราะฉันไล่ไปตั้งแต่ทิิ 3? ข้อหนึ่งทานก็สองวิธีปฏิบัติข้อสาม จิตที่ได้รับผลบูชาหรือว่าการทําปฏิบัติอะไรเนี่ยแล้วบูชาการกระทําบูชาก็คือการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติแล้วจิตมันได้รับส่งเบอรเสมอิมอผลไหมก็ต้องอ่านจิตเป็นว่าเออมันได้เสมอิผลอนนี้มันละลดจางคลายมันได้ความเ อ, อมันมีความลดความละความจางความคลายอะไรอะไรออกไปจริงๆ ก็รู้ว่ามันมีผลหรือไม่มีผลอเพราะงะั้นเราตรวจสอบอ่านจิตใจจตศีลเราได้หุ่นตังมีผลหรือไม่กันแปลไปตามพยัญชนะต่าการทั้งเออที่บูชาแล้วมีผลอหรือไม่มีผลการสังเวยบูชาแล้วได้คุณทานหรือคุณทําวิธีปฏิบัติแล้วจะมีผลหรือไม่มีผลก็อ่านในใจเรารู้จิตใจเราหุ่นตังเกิดผลหรือเกิดไม่เกิดผลคือมันลดละจางคลายหรือมันดับ กิเลสนั้นถือไม่อย่างนี้เป็นต้นหนึ่งสองสามข้อสี่ข้ห้าข้หกข้อสี่เกิดจากกรรมการปฏิบัติทางกายวาจาใจทั้งนั้นแหละเกิดเป็นวิบากเป็นการสั่งสมวิบากคือผลสั่งสมผลว่าถ้าสั่งสมผลที่เป็นปรมัตร์สั่งสมผลที่เป็นโลกุตระธรรมสั่งสมธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมหรืออริยธรรมได้เราก็จะรู้ ก็จะกรรมทั้งนั้นแม้แต่กรรมที่ไมันเป็นโลกุระเป็นโลกีธรรมก็จะรู้ว่าโลกีคืออะไรการจะรู้โลกีก็ข้อห้าข้อหกอยังโลโกก็คือที่มันวนอยู่ในโลกีจิตวิญญาณเราเนี่ยหมุนวนอยู่ในโลกีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสัตว์ต่างๆที่ข้อก้าจะอธิบายถึงความเป็นสัตว์แต่อันนี้รู้ความเป็นความหมุนวนโลกเนี่ยเราะความหมุนวนอยังโลโกโลกที่มันหมุนมัน บุญไปไประดี๋ยวก็สุขแล้๋วมันก็ลงมาหาทุกทุกแล้วนไปหาสุขสุขมันวนก็อยู่งั้นน่ะไม่รู้จบไม่รู้แล้วพักยกได้อ่าสุข ท, ทุกทุกสุขสุขทุกแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกพักยกได้แต่ไม่รู้แล้วไม่รู้จบเพราะไม่ดับเหตุมันเหตุความหลงอุปาทานไม่ได้ดับนะเกิดจากรรมกรรมจะเป็นโลกีหรืกรรมจะเป็นอะไรเป็นโลกุตรคตกรรมเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ความวนของเหตุที่มันทําให้วนบโลกียะ ทำได้มันก็จะเป็นโลกุตระปโรโลโกโลกนี้ขาห่าปโรโลโกโลกหน้าขาหกเพราะฉะนั้นแม้แต่แค่คําว่าโลกหน้าปรโลกนั่นเองปโรโลโกกับปรโลกเข้าใจคําว่าปรโลกในความหมายของพระเจ้าคือความเป็นโลกหน้าไปข้างหน้าเจริญไปก้าวไปข้างหน้าพัฒนาขึ้นไปข้างหน้าเข้าใจความหมายแท่งนี้ไม่ได้หน้าก็เลยไปโน่นในโลกหน้าโลกก็คือโลกร่างกาย ตายจากร่างกายนี้ไม่มีร่างกายเป็นไปนเกิดเป็นโลกนาอันนั้นเทวานิยมหรือว่าความรู้ห ย, ยาบๆ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต้นๆตื่นๆก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่มันยังไม่เข้าถึงสภาวะที่ลึกอย่างนั้นเพราะคามรู้โลกนี้โลกนาก็ยังเข้าใจไม่ได้เมื่อไม่เข้าใจโลกนี้โลกนาคุณก็ไม่รู้จักโลกคุณดับโลกไม่ได้หรอกหรือพบคุณดับพบกามาพบรูปมพบ ร, รูปมพบหรือโลกกามาโลกกันเรียกได้ รู ป, ประโลกหรืออารู ป, ประโลกคุณดับโลกหรือหยุดโลกไม่มีแล้วโลกไม่มีสัตว์โลกคุณทําไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจสภาวะไม่เข้าใจความหมายสิ่งลึกลึงพวกนี้นะจากข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าอีกสามตัวนี้ข้อเจ็ดแม่ข้อแปดพ่อข้อเก้าสัตว์สัตว์ตความเป็นสัตว์โอปปปาติกะสัตว์ทางจิตอินยาม ถ้าไม่ชัดเจนไม่เข้าใจสัตว์ทางจิตวิญญาณนะแล้วไปเข้าใจจะสัตว์ก็สัตว์ร่างกายอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่อย่างงั้นนะ่ะก็แน่นอนคุณมิชิตทิฏฐิอยู่อย่างงั้นแหละยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เอาเข้าใจเท่านั้นต้องชัดเจนเข้าใจว่าเอออ่ทุกอย่างมีแต่รูปนา ม, มมามไม่มีเราความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคุณก็เป็นว่าจะสบอย่างที่ว่า ฆ่าเป็นดะไปเลยไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีวิบากไม่มีอะไรแล้วก็ตายไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะก็ไม่เข้าใจสมมุตินคําว่าสมมุตินี่นะมันยกขึ้นมาเป็นสมมุติที่สัจจะคําว่าอัตตะหรืออัตตาเนี่ยที่หมายกันว่าตัวตนหรือตนเนี่ยอีกความหมายที่ท่านแปลไว้อัตมาไปเจอในพระจนานุกรม ฉบับภูมิพลท่านอธิบายไว้ดีอาตมาเห็นแล้วโอ้โหเหมาะใจก็จะเอามาขยายความท่านแปลว่าอัตตะเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยแปลว่าสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้นนะสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้นหรือสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาอัตตะอัตตาเนี่ยสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นหรือสิ่งที่ซึ่งถูกยกขึ้นมา มันยกขึ้นมามันขึ้นมาเป็นๆอนันต์จริงๆจริงๆจะบอกว่ามันไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาใช่มันถูกสมมุติขึ้นมาและคุณก็ยึดสมมุติที่สัจจะโดยคุณไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรอะไรและคุณก็เป็นธาตมันมันต้องการอย่างโน้นต้องการอย่างนี้อยากได้อย่างงน้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องขององค์ประกอบแห่งสังขารที่เป็นหลงเป็นโลกียะนี่แหละกูก็ทําประเคณมัน มันอยากได้ลาบไม่ใช่ลาบเป็ดลาบงัวลาบหมูนะมันอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของเนี่ยคุณก็ไปแสวงหาราบนั้นส อ, อกสอกสอ ก, อ ก, อ ก, อกเน็ตเหนด้วยหนันกหนานดีไม่ดีทุจริตดีไม่ดีไปสร้างวิบากบาปนะขากแกงกันทําร้ายทาลายกันให้มันเกิดวุ่นวายในสังคมอีกเดือดร้อนกันในสังคมอีกคุณไม่รู้คุณก็ทำนอ ความไม่เข้าใจใพวกนี้ยไปยึดติดไม่รู้ว่าเราดื้อติดอะไรเราต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรกันนักกันนาชีวิตมันไม่ต้องมีขึ้นขนาดนั้นเพราะงั้นคําพูดปลาดปากเปลา่ปลาเนี่ยมันพูดยังไงก็ได้แต่ความจริงแล้วอาการที่ของเรามันมีกิเลสตัณหาประทานที่มันไปกิดสมมติพวกนี้ติดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคลเราเขานี่แหละนามธรรมาพวกนี้แหละตัวร้ายจะเข้าใจได้แก้ว่ารูปนามมันไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขานั้นมันเข้าใจได้ แต่ความจริงแล้วมันยึดเป็นอาการของนามนามมาทำแม่พ่อนี่ไม่ใช่แม่พ่อเป็นตัวตนบุคคลเราเขาด้วยไม่ใช่แม่พ่อที่เป็นวัตถุธาตุเป็นมหาภูต ร, รูปด้วยแม่พ่อทั้งนามมาทำแม่พ่อของทางจิตวิ ญ, ญญาณภายเกิดแม่เกิดพ่อพระเจ้า ก, ก็บอกว่าท่านเป็นพ่อสรารีบุตรพระมคลาเป็นแม่หรือพระสงฆ์ทั้งหลายแดนี่แหละผู้ช่วยให้เกิดลูกทางธรรม เกิดลูกทางทําคลอดทางจิตวิญญาณปฏิสนธิทางโอปปาติกะเรียกว่าโอปปาติกะปฏิสนธิหรือโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณเป็นลูกจริงๆนะอย่างอาตมานี่อาตมารู้าอาตมาเป็นพ่อและเป็นแม่ในตัวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้มันเลยต้องทําหน้าที่ทั้งแม่ทั้งพ่อกันเลยรู้ว่าอิทธิภาวะอย่างไร ปุริสภาวะอย่างไรก็เข้าใจนะก็ทํางานทําหน้าที่นี้ช่วยสร้างลูกนะเพราะเพราะคนที่เป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกเล่นเล่นมันจะเป็นลูกปลอมปลอมลูกจริงลูกอันนี้ข้ามชาติไปเลยอย่างลูกทั้งร่างกายในชาติหน้ามันก็ไม่ใช่แล้วเป็นลูกกันในชาตินี้ชาติหน้ามันก็ไปมีลูกกันใหม่กับใครอีกใครไม่รู้นะไปกันใหญ่ อันนี้มันต่อเนื่องไปเลยท่านลูกอันนี้มันต่อเนื่องกันไปอีกโอ้โหจนปรินิพานแนะ่เป็นลูกกันไปจนปรินิพานนะอยา่างอัมมาเนี่ยเคารพพระสมานสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อเนี่ยพ่อจริงๆพ่ออัตมาจนปรินิพานกันไปเลยนั่นแหละทุกวันนี้ก็ต้องเคารพเป็นพ่อจะบอกว่ายึดถือมันยึดถือเลยยึดถือเป็นพ่อ โดยยึดถือเราก็รู้ละว่าเรายึดถืออย่างไรยึด อ, อย่างสมาทานยึด อ, อย่างอุปาทานเป็นการยึดแบบไหนเราก็ต้องเข้าใจะนะเพราะเรื่องความเป็นสัตว์ถ้าเผือว่าไม่เข้าใจจิตปั ญ, ญญาณแล้วมันเป็นสัตว์อย่างไรสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์พรมก็เรียกชื่อเป็นอะไรต่างๆพวกนี้แหะนะซึ่งจิตปั ญ, ญญาณพวกนี้เป็นจริงๆ มีอาการลิขิมิตรมีเครื่องหมายให้รู้ได้ว่าอย่างนี้เป็นสัตว์พรหมอย่างนี้เป็นสัตว์เทวดาอย่างนี้เป็นสัตว์นรกสัตว์พิเภกอะไรรู้ได้อ่านได้มีนิมิตมีเครื่องหมายรู้ได้ของใครของมันเป็นเอกโกโดยส่วนตนโดยนตนเองตนเองทําเองเรียนเองรู้เองอาหารเมตังนะฉานามิอาหารเมตังนะปัสตามิตินะคือมัน ของใครก็ของมันไม่มีใครเห็นใครรู้ได้เราอาหารไม่ต่างนัชานามิอาหารไม่ต่างนาปสารมิติเป็นต้นนะแล้วเราจะมีญาณปัญญารู้ความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอไม่เชนั้นก็บอกว่าเอ้ยสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแม้แต่รูปร่างเนี่มันใช่เลยนะนะช้างมาง้างัวควายผู้คนแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละร่างเนี่ยไม่ใช่ละคุณเอ้ยเดี๋ยวเราบนบันลัยจจักกันเลยเนี่ย เดี๋ยวก็เป็นว่าจะจบอย่างที่ว่านาเพราะงั้นถงไม่ทําเป็นเล่นไปทําเป็นเพลินไปไปเดียวมันก็อุเฉทิฏฐิไปเดียวก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรทั้งนั้ก็ไป็เลอะไปหมดะเพราะในความเป็นสัตว์ทางโอปปาติกะนี้ต้องรู้รู้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อ9ต้องรู้ชัดเจนก่อนใน10ข้อเนี่ยข้อที่10นั้นคือสมณพราหมณผู้เป็นผู้รู้จริง เป็นอริยะบุคคลเป็นสัตบุรุษจริงเป็นสมคาถาสมาปฏิปันาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งจริงๆริ ง, รงที่สามารถจะนําความจริงสัจธรรมมาแจกแจงให้รู้โลกนี้โลกหน้าได้ท่านว่าไว้งั้นในข้อสิบนะนสําหรับผู้ที่เป็นสัตบุรุษนั้นต้องรู้จริงนะต้องรู้ว่าอ๋อนี่เป็นสัตบุรุษจริงๆรนะท่านอธิบายถูกบอกเราได้จริงๆ ถ้าใครไปเห็นสัตว์ปรุษเป็นสัตว์นรกด้วยเป็นฝายเป็นเฟย อ, อะไรไปอีกเนี่ยมันมันยากนะยากมากเลยว่าเอแล้วมันจะไปดูแจง้งเห็นจริงเมื่อร้ายนี่เนาะนะมันก็ยังงมโคงกันไปอีกนานแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจเลยว่าต้องเห็นหได้ถ้าไม่เห็นสัตว์ปรุษไม่ได้ก็ไม่ได้ฟังสัจธรรม ท, ที่บริบูรณ์เมื่อไม่ได้ฟังสัจธรรมบริบูรณ์ศรัทธาก็ บาบาบาบาสับทธาเไปไปไปสัทธานเรเ่อยๆไปเพราะฉะนั้นผู้นี้แหละโยนิโสมนสิการปฏิบัติจิตในจิตไม่เป็นปฏิบัติจิตในจิตไม่ถูกต้องไม่แยบคลายไม่ถ่องแท้อโยนิโสมแน่นอนเพรา ะ, ะคำว่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยเป็นคําที่ยืนยันอยู่ในสุริยปยานสูงก็เป็นข้อที่เจ็ดด้วยนะ่ะโยนิโสมนสิการ เป็นข้อที่เป็นแสงอรุณแสงอรุณไม่มาสุริยาไม่มีหมายความว่ามรกรแปลกนี่เป็นสุริยาหรือพระอาทิตย์คุณจะถึงพระอาทิตย์คุณจะเห็นพระอาทิตย์คุณจะใช้พระอาทิตย์ได้คุณต้องมีแสงอรุณมาก่อนแต่แสงอรุณคือคุณไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก่อนไม่เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เช่นอัตตะสัมปทางนี่เป็นต้นต้องเข้าถึงสัมปทาต้องเข้าไปถึงความเป็นอัตตะอัตตาก่อน เป็นแสงอรุณนะอัตตาสัพพทานในข้อที่สี่ในเจ็ดข้อแสงอรุณในข้อที่สี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเราจะปฏิเสธเลยอัตตามันไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกมันกรตีทิ้งไปเลยคุณก็ไม่เข้าถึงตัวความเป็นอัตตานี้ได้เจงอีกเหมือนกันไปไม่รอดโดยเฉพาะอัตตาี้อัตมาอธิบายแล้วว่าตัวที่เข้าถึงได้ก็เป็นตัวสักกายะทิิทเป็นสักกายะของเรานั่นแหละก็ จัดเหตุที่มันยึดถือส ก, กายะผู้นี้เป็นตัวตนที่มันไม่ใช่ตัวตนหลอกภาษาบอกว่าไม่ใช่แต่มันใช่ใน อ, อวิชชาหรือว่าในความที่ยังไม่บรรลุของแท้เราก็ยังยืดเชื่นั่นแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรายืดเราก็ได้แต่ภาษ า, ไ ด, า, ษาได้แต่ตักกะเหตุผลว่าไงผู้นี้จึงได้แต่อัตตาหรืออัตตา อ, ตตอัตตาอัตวาทุ ป, ปาทานก็ได้แต่คําพูดภาษาตักกะเหตุผลของมันเท่านั้นเป็นอัตตา โดยที่ตัวเองก็เป็นอัตตาอยู่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอัตตายึดนะอัตวาทุก ป, ปารทานก็คืออุ ป, ปาทานยึดในะอัตตาแค่คําพูดแค่นั้นนะภาษาเหตุผลอยู่เท่านั้นแหนะก็จะเอาแต่ภาษานี่แหละมายืนยันถกไปเหตุผลของคำความหมายของภาษาไปซึ่งอัตมาว่าเอาต้องเราเขก็ อ, อธิบายไปนี่อัตมากล่าวถึงความเป็นสัตว์เรนะต้องรู้จักความเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์โอ ป, ปาติกะจึงจะปฏิบัติเห็นความเป็นสัตว์ที่ว่านี้ได้ จะเห็นได้โดยวิชาแปดวิชาแปดที่จะเห็นข้อหนึ่งก็คือวิปัสนาญาณปัสสานนี่แหละปรว่าเห็นปัฏสติปัฏสีปัฏโซนิญาณเห็นข้อหนึ่งเลยโดยเห็นความเป็นกายด้วยสัญญาจะเห็นด้วยความเป็นกายเป็นองค์ปรชุมของนามธรรมาไงองค์ปรชุมของนามธรรมาไม่มีเส้นแสงสีเสียงอะไรไม่มีนามไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีร่างกายไม่มีอัศรีระ นามรทำนี้อัศรีระไม่มีรูปเส้นแทงสีอะไรแต่รู้ได้ด้วยเครื่องหมายที่เราจะ ก, กําหนดรู้เพราะจะ ก, กําหนดรู้คุณต้องมีสัญญาไม่รู้ได้ด้วยกายความเป็นองค์ประชุมแล้วก็รู้ได้ด้วยการกําหนดสัญญากําหนดรู้ที่สมาธิิฐคุณต้องมีสมาธิจริงๆกระนั้นก็ก็ต้องกําหนดหมายให้ตรงตามปรัชญธรรมต้องกําหนดหมายให้รู้จากจิตเจตสิกรูปนิพพาน ต้องเรียนรู้อาการของจิตจริงๆต้องศึกษาทำใจในใจของเราเนี่ยใจของเราเป็นยังไงไงต้องเข้าใจอาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้รูปรูนามด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศทำไมเช่นนั้นก็จะเป็นสัญญาวิปลาสการกําหนดหมายในสัญญาวิปลาสคําว่าสัญญาวิปลาสนี่คือการกําหนดหมายคลาดเคลื่อนไปจากสัจจะที่เป็นจริงนะ มันต่างกันกันกบวิชาทิฏฐิสัญญาวิปลาสเนี่ต่างกันกับวิชาทิฏฐิสํญญาหรับผู้วิชาทิฏฐินั้นกําหนดไม่เป็นเลยหรือกําหนดผิดไปเลยไม่ใช่คลาดแค่คลาดเคลื่อนนะคลาดเคลื่อนนี่นก็คือใช้สัญญาเป็นบางแล้วแต่มันเพี้ยนไปมันไม่ตรงทีเดียวมันคลาดเคลื่อนเพราะสัญญาวิปลาสกับวิชาทิฏฐินี่ต่างกันวิชาทิฏฐิหรือยิ่งเอาวิชาเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอาวิชานี่คือไม่รู้มันไม่รู้เรื่องเลย ไกลไปอีกยาไปอีกส่วนมิมชาทิฏิเนะี่ยคือมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเห็นผิดต่าง ก, กันกับสัญญาวิปลาดซึ่งแปลว่าความคลาดเคลื่อนไปจากกำหนดหมายคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงกำหนดกายก็ผิดกายอ่ากำหนดจิตเจตสิกก็ผิดจิตเจตสิกไปจากตัวที่หมายันไม่ตรงที่เป็นต้นเพราะงั้นถ้ากำหนดผิดอย่างนี้ก็ก็ไม่สามารถรู้ตัว ต, วตนรู้สภาวะอ อาที่เป็นนามธรรมแต่ถ้าเผยว่ากำหนดถูกเมื่อเห็นอัตตานาเมื่อเห็นอัตตาตัวตนที่เป็นสัตวตต์แล้วหาเหตุที่ทำให้เป็นสัตว์นะแล้วหาเหตุที่ทำให้เป็นสัตว์จึงจะกำจัดเหตุถูกเหตุจนกระทั่งดับเหตุได้สนิทภาษาพระปัญชนาตเเลยกวันนิโรธจนดับเหตุได้สนิท ่กับจัดเหตุของพระุทธเจา้านี่ถ้าไม่ไปกับจัดที่ตัวตนหรอกท่านกับจัดเหตุที่มันก่อให้เกิดตัวตนท่านดับเหตุทุกอย่างมันเอ็นเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างมีแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งกันอยู่ไม่ใช่อะไรเป็นอะไรหรอกอย่างที่คุณแปดเจ็ดศนย์ห้าพูดนะั้นถูกนะภาษาพูดถูกแต่ความเป็นจริงแล้วจะต้องชัดเจนว่าเออมันจริงมันเป็นการปรุงแต่งเพราะนั้นไปนดับเหตุตัวนี้หมด การุงแต่งก็ไมีมการสั่นคานก็มีสัน่นคลานก็หายไปดับสิ่งที่มันจะสร้างขึ้นมาจะเป็นขึ้นมาผู้เริ่มเห็นความเป็นสัตว์นั้นๆในตนขั้นแรกขั้นแรกเนี่ยผู้เริ่มต้นเห็นความเป็นสัตว์ก็คือจิตปัญญาเราเห็นจิตของเราเป็นสัตว์ขั้นแรกคือผู้มีโซดาปฏิมาเป็นผู้ที่เริ่มต้นเห็นทางแลเริ่มต้นสัมผัดแล้วพ้นมิจฉาทิฐิ ในพระธรรมดลเล่ม18ข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหึ่งพระธรรมดลเล่ม18ข้อ254ข้อ254ธรรมาจําได้แม่นอันนี้อ่254 255 256ข้อแรกนะั่นคือมิจฉาทิฏฐิสูตรข้อสองสกายาทิฏฐิสูตรข้อสามอัตตานุทิฏฐิสูตรสามสูตรนี้เห็นด้วยความเป็นอันนี้จังเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตานะ ซึ่งจะต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้เลยในเวลาปฏิบัติอาในสูตรนี้สามสูตรนี้เป็นเครื่องใช้ปฏิบัตินะมานพูดที่เริ่มต้นเห็นความเป็นสัตว์ก็คือเห็นจิตของเราเป็นสัตว์เป็นสักกายะนั่นเองก็เริ่มต้นโ ส, สด า, สดาปฏิมักแล้วเห็นสักกายะตัวนี้ยังไม่ได้ทําลายทําอะไรมันมันไม่เที่ยงมันขึ้นๆลงๆมันสุขๆทุกๆทุกๆสุขๆไม่สุขไม่ทุกปลอยเงี้ยวบนอย่างเงี้ยยังทำอะไรมันไม่ได้ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งแล้ว พนสกายทิติิคุณก็ต้องเอาให้ชัดเจนเรียกว่าพลวิจิกิจชาทั้งยุ่นข้อที่สองต้องชัดเจนนะว่าไอ้ตัวนี้แน่นอนแล้วมันขึ้นมันลงยังไงมันเป็นมันพาสุขพาทุกข์ยังไงยังไงก็จะสูงขึ้นไปหาสกายยะติถิในสกายยะติถิศูนย์นั้นก็คือเห็นได้ความเป็นทุกข์ก็จะชัดเจนว่าเฮ้ยไม่จะให้มันสุขมันมาหลอกเราอยู่เรื่อยเลยเพราะกบเกลื่อนเพราะอยากได้คุณก็บํเรอมันให้มันสมใจอยากได้มันก็เป็นสุขไปทุกที มันก็เลยบังสุขไม่รู้จักอาการสุขอาการทุกข์ที่ชัดเจนไม่รู้เวทนาในเวทนาชัดเจ น, นพระรู้จ้าถึงมีอุบายเครื่องออกวันอย่าไปให้มันอารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีอย่าไปให้มันนี่ยสัมผัสแล้วก็สัพยน์อยู่ไม่ให้มันออย่างอาตมาสัมผั ส, ผสผของนีโ่โอ้โหเนี่ยนะเนี่ยหลอกใจกุมาราสารพัดผลไม้รากไม้ไม่มีรา ก, มากไม้เรมามีได้ผลไม้อ มีเงาะมีมังคุดมีรังกองกองมีมะม่วงมีกล้วยมีอะไรอ้อุดมสมบูรณ์พวกเรานี่จัดฉากเอาสิ่งพวกนี้มาใช้ไม่เหมือนเขาเขาเอาแต่จัดฉากเอาอะไรสวยๆงามๆรูรุ่งระลามาของเราอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ร้า ม, มีอะไรก็เอามากองกองประดับมันมีสีสันรูปร่างของมันนะเนี่ยมันสวยของมันอย่างธรรมชาติสวยขึ้มันอย่าง โอ้โหสวยก็มันอย่างชั้นหนึ่งเลยนะอาตมาว่าโดยแง่ศิลปะแต่คนก็มื่คิดต่างกันอาตมากับเรียนศิลปะแล้วก็รู้จักศิลปะนะมันพ้นสังโยชน์ข้อทีมหนึ่งพ้สังโยชน์ในข้อที่ว่าสกายยะทิฏฐิแล้วก็ข้อที่สองพ้วิจิกิจฉาก็เพราะว่าเห็นมันมีอาการมันเป็นทุกข์มันพาทุกข์ตัวไหนเป็นเหตุพาทุกข์ในสกายาทิฐิสูตร ก็ต้องกําจัดเหตที่เป็นพาทุกพาสุขเพราะสุขกับทุกนี่มันเหตุนะเป็นตัวการเหตุเป็นตัวการคือตัวปัญหาอุปทานก็กําจัดมันพอกําจัดมันก็จะเห็นมันรุนลงรุนลงก็ตามเห็นไปเรื่อยๆคือตามเห็นอัตตาที่มันเป็นกิเลสตัวเราพาสุขพาทุกข์เป็นตัวเป็นตนนี่แหละ สกายะนก็ลดลงจางลงก็ตามเห็นสกายะไปเรื่อยท่านจึงอยู่ในสุวนข้อที่สามอัตตานุติถิคือตามเห็นอัตตานุติถิเนี่ยอนุตามตามเห็นไอ้ตามได้เรียนมารู้มาตามอัตตาตัวนี้ไปอีกแล้วก็กําจัดมันไปเรื่อยจนมันสุดอนัตตามันไม่มีตัวตนนั้นแล้วจึงเห็นว่าเออความเป็นตัวตนตั้งแต่หยาบสกายะมาจนถึงอาสวะ อันตาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายและดับอาสวะจึงไม่มีตัวตนเห็นอันหนตาไม่มีตัวตนเห็นอนหน้าตาเลยเห็นว่าความหมดความดับความไม่มีนะเพราะจะรู้ความมีความไม่มีที่ชัดเจนความมีอะไรมีอะไรไม่มีแต่ร่างกายเรายังมีนะปัญญาเรายังมีนะอะสุขก็มีแตสุขสงบไม่จะไปสุขอย่างเป็นรถเป็นโลกียรสอย่างนั้นไม่มีสุขอย่างนั้นทุกอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้เป็นต้น จะรู้จักความมีความไม่มีอ่าโหติโหติมีล้วนะัโหติไม่มีหรือทําให้ได้ผลเป็นอัติทําแล้วมีผลหรือไม่มีผลนัติอะไรเงี้เป็นต้นจะเข้าใจว่าความมีหรือไม่มีทําไม่มีผลได้จนกระทั่งสำเร็จความมีความไม่ ม, มีบริบูรณ์เรือโหติอะไรเนี้ยนก็จะรู้จักได้จริงนะเพราะงั้นเมื่อผู้ใดสามารถปฏิบัติจากโสดาปฏิมาศแล้ว ลดกลิเลสไปได้เรื่อยๆก็เป็นผลไปตามลําดับเป็โสดาปฏิพลดไปก็เป็นโสดาบัณฑลลล์บางคนพ้นถึงยอข้อที่สามนอกจากชัดเจนแล้วไม่สงสัยแล้วชัดอย่างชัดจะรู้เลยว่าสัตว์คืออะไรเหตุมันให้เกิดเป็นสัตว์คืออะไรกําลังกําจัดมันคืออะไรเพราะฉะนั้นข้อที่สามสั ญ, ญข้อที่สาศี่พัสสปัสตปาปรามาัดคือไม่ใช่บารารู้เราเห็นแล้วว่แค่ลูบๆคลำๆมันเล่นอยู่ไม่จัดการไม่ ปฏิบัติให้มันลดมลันละสักทีหนึ่งไม่ใช่เพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงแท้ทำให้มันลดมลันละได้จริงๆหเห็นได้นะก็พ้นสินรศศรลปต์ปราหมาปฏิบัติอย่างรู้รู้รแจ้งแจ้งเห็นเห็นเลยว่าจิเล่มันลดคุณก็พ้นความเป็นทังงยศสามเข้าขายความเป็นบุคคลที่เป็นอริยบุคคลแรกโสดาบัน นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นคุณก็ทําอย่างนี้ไปสิเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นสกิทาคามีก็เก็บกิเลสค่ากิเลนดับกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเวทสกเทาคามีสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่เรียกว่าความเป็นสัตว์นเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์จึงไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดง่ายๆแค่ว่าอ้ยมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบบคนเราเขาอะไรหรอกมันก็พูดได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยจะรู้จักความเป็นสัตว์ อย่างชัดเจนลึกซึ้งมันต้องมันต้องมีความรู้ไปทางปริยัตและก็ไปรู้ทางปฏิบัติที่จะสัมผัสความจริงให้จริงข้อต่อมาเห็นอริยสัจนะอริยสัจเนี่ยคือความจริงเห็นอย่างไรมันต้องเห็นทุกอริยสัจอริยอริยะเป็นผู้เห็นความจริงสัจจะ ก, ก็คือความจริง อริยะคือเป็นผู้แอบอริยะจะเห็นทุกอย่างอาริยะไม่ใช่เห็นทุกทุกตื่นตื่นะแล้วก็เห็นทุกอย่างข้างนอกเห่านั้นนะหยาบเห็นอาการเลยอาการในขณะนิมิตของอาการทุกซึ่งจะต้องกําหนดรู้มีสัญญากําหนดรู้ควรกําหนดรู้ก็คือปริญญเยะเพราะฉะนั้นทุกในต้องควรกําหนดรู้และต้องมาเรียนรู้กําหนดรู้ให้ได้ องประชุมความเป็นทุกข์อาการทางจิตเจติสิก ต, ต่างๆมันเป็นทุกข์ยังไงคุณจะต้องเห็นอริยสัจพวกนี้ในใจตนเหตุแห่งทุกข์อริยสัจแล้วก็ต้องกาจัดเหตุนี้ต้องกาจัดเหตุนี้ให้ได้จนกระทั่งมันดับสนิทเหตุมันดับนี่แหละเรียกว่ามิโรดอริยสัจ เหตุมันดับสนิทเนี่ยอะไรว่านี้โรดอริยสัพทำมันดับเลยนะสภาวะตัวกิเลสมันก็เป็นถ้าเห็นมันตัวเป็นตัวๆกันเนี่ยคือสกายาหรืออัตตาตัวนั้นตัวนั้นตัวตนของกิเลสตัวตนมันดับไปนะมันจะชัดเจนมันจะมีของจริงเป็นภาวะธรรมที่เราเรียนรู้แล้วจะรู้เลยนะไม่มีใครมาหลอกเราเลยเราไม่ต้องเชื่อใครเราทําเองเห็นเองเป็นการรู้เอง ครูบาอาจารย์สอนก็ไม่ต้ไปเชื่อครูบาอาจารย์สอนเพราะว่าเรามีสิ่งนี้จริงพ้นกาลามสูตรที่ท่านบอกว่าจะไปเชื่ออันนั้นเชื่อเชื่อนี้นี่ไม่ได้เชื่อนั่นมันพ้นจากการเชื่ออันนั้นนี่แต่ก็เชื่อลําลองมาก่อนเหมือนกันเชื่อตําราเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อผูกควรจะนับถือความเชื่อโดยเช่วยในการขาดคณีประมาณอะไรก็แล้วแต่ในกาลามมสูตรสิบข้อก็เชื่อลําลองมาแต่เวลาเชื่อนี้ไม่ได้เชื่ออะไรใครเลยในสิบข้อ เชื่อตัวเองเชื่อไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องเชื่อใครเพราะเราสัมผัสของจริงเห็นของจริงเกิด น, นิโรธเกิดพอรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กิเลสัดอย่างสมาธิถิ่จริงๆนะผู้ดับเห็นเองทุกข์ได้ก็จะเห็นได้ว่าตนไม่มีทุกข์และไม่มีสุขทุกขสุงมันคู่กันเป็นของคู่ทุกข์สุขเนี่ยอาการหรืออารมณ์สุขเป็นยังไงอารมณ์ทุกข์เป็นยังไงคุณจะอ่านเวทนาได้เวทนาทุกขเวทนาสุขมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึก ก็อ่านความรู้สึกเราเนี่ยเออมันไม่มีแล้วนี่แหละคือผู้พนทุกข์แล้วก็ไม่มีสุขด้วยสุขมันอจสงบไปแล้วมันไม่ต้องไปสแสวงหาอยากได้อะไรอีกแม้เราจะสัมผัสเกี่ยวข้องเราก็ไปตกดีก็ได้อยากโอ้ดนตะบันนีใจได้เสพแล้วเนี่ยโหตั้งนานอุตส่าห์วางก็ตั้งนานนะคราวนี้มาเอออีกทีนึงค ด, ด, ดีกระดาเลยตะลิกระดีเลยไม่ใช่มันก็เฉ ย, เฉย ออย่างสามีไปมีเมียน้อยแล้วเกิดแค้นสามีนี่ถือว่าเห็นอริยสัตย์นะครับสามีไปมีเมียน้อยจะเกิดความแค้นขึ้นมาเกิดความแค้นขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าเห็นอนิยสัตย์นะครับเห็นที่ไหนแเราก็ขอแค้นไม่เห็นอะไรความแค้นกินตัวเลยครับความแค้นกินตัวคนนั้นน่ะคนที่ถ้าเผยว่าสามีไปมีเมียน้อยก็ยกเมียยกสามีให้เขาไปไม่ต้องไปแค้นไปเกิดนี่สิเห็นอริยสัตย์ เห็นทุกข์อริยสัจไม่ต้องทุก์ต้องแท็กอะไรเนี่ยเออเขามารับช่วงเราแล้วเอาไปเลยใส่พานไปเลยอ่าดีไหมก็จะได้หมดสุขหมดทุกข์ไปจะได้หมดสุขหมดทุกข์อ่าเห็นได้ว่าตนไม่มีทุกข์และไม่มีสุขที่เกิดจากเหตุนั้นแล้วจริงนี่คืออริยสัจก็อธิบายย่อๆนี่ก่อนทีนี้ข้อตัวที่สามสัญญาวิปลาสนะ คุณอันนี้พูดถึงสัญญาวิป ร, ราชในที่อนนี้มาเนี่ยบอกว่าฉะนั้นสึ่งสิ่งซึ่ ง, งเกี่ยวกับรูปคืออธิบายไว้ตอนแรกนะว่ารูปแล้วก็จิตเจตสิกนิพพานตอนหลังก็กลับมาอธิบายว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเหมือนกันนะตามโบรณอาจารย์ท่านว่าอ่าบอกว่ามันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปประมาทความจริงแท้นะว่า นอกจากจิตเจตสิกรูปนะมันก็พูดจิตเจตสิกรูปที่ผ่านแล้วอย่างอื่นย่อมมิได้มีว่า ง, งั้นเลยนะอ่าอย่างอื่นย่อมมิได้มีเพราะงั้นเก็มาเรียกย่อจิตเจรูนินจิตก็คือจิตเจก็คือเจตสิกรูก็คือรูปนิก็คือทิ่ผ่านฉะนั้นซึ่งทั้งจิตเจรูนินี้ต่างจึงหาใช่เป็นสัต บุคคลตัวตนในวงเล็บเท่ากับอัตตาเลยไม่เหมือนกนเลยนะนี่แหละจะไปรู้สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะที่มันเป็นสัตว์บุคคลนี่จะไปรู้ได้ยังไงเป็นสัตว์นรกที่มันพาทุกขอยู่ก็สัตว์นรกเป็นอาการยังไงมันพาทุกขเป็นยังไงก็ไม่ตีทิ้งซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่มียังไม่ได้ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติจริงๆอย่างสมาธิจะไม่พูดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ปฏิเสธทิ้งอย่างนี้แร้วเพราะปฏิเสธทิ่งนี้ก็เท่ากับไปปฏิเสธสิ่งที่เราจะปฏิิบัต เมื่อบริสุทสิ่งะจะบปฏิบัติแล้วคุณจะได้ปฏิบัติตรงไหน่ะเพราะฉะนั้นคุณคนนี้เนี่อั ต, ตวาทุกปาทานจริงจริงนะจริงจอ่านะมีความเฉลียวฉลาดน ะ, ะเฉลียวฉลาดในเหตุผลตักกะ ร, รอบตัวแต่สภาวะค่อนข้างเฉลีว น, น, นะบอกว่าเนี่ยตางเจิเ จ, เจรูนิน้ ต่างจึงหาใช่จัดบุคคลตัวตนเลยไม่ที่ก่อนที่ก่อนนี่เคยหลงสมมุตนะิก่อนเคยหลงสมมุติหรือเคยหลงรูปนามว่าเป็นอัตตาเราเรนะเป็นตัวตนนั้นที่แท้แล้วเป็นเพราะสัญญาวิปลาสไปเองต่านงะใช้คำว่าสัญญาวิปลาสเลยในะพระอัตม า, าคำว่าสัญญาวิปลาสมาอธิบายตอนนี้ก็ตามฟังเรามาใช้ด้วยเป็นสัญญาวิปลาสไปเองังหาง เพราะว่าโดยความจริงแท้ปรมาัตแล้วทั้งรูปทั้งนามต่างย่อมเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตานะเอาพยัญชนะเอาเหตุผลเอาอความหมายของภาษาท่านมาใช้จะหมดต่างย่อมเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาแต่เมื่อปุตตชนยังกรอบด้วยอุปทานอยู่ฉะนั้นสัญญาของปุทุชนจึงย่อมจะวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความจริงแท้นะพูดถูกซะด้วยนะ วิปลาสนี่คือคลาดเคลื่อนไปจากความจริงแท้เมื่ะเปิดก็เพราะเหตุด้วยอุปทานนั่นเองเอืลอปิดฉะนั้นปุตสสปุตชชนจึงไม่สามารถจะเห็นตามความจริงแท้ได้ว่าสักแต่ว่ารูปและเป็นสักแต่วนามผู้จะจะสักแต่วรูแต่วนามนี่นะจะรู้รูปรู้นามสัมผัสอันนี้เป็นรูสัมผัสนี้เป็นนามม่ว่าจะเป็นรู ป, ป ร, รูปเป็นนามมารูป หรืมรวมได้เป็นรูปประกายหรือนา ม, มากายก็ตามประชุมกันขึ้นมาแล้วผู้ที่ล้างกิเลสอนั้นได้แล้วจริงก็รู้ว่ารูปที่ประชุมกันขึ้นมาเป็นกายนามที่ประชุมกันมาเป็นเป็นกายเป็นนามมากายแล้วก็ถูกรู้เป็นนามมารูป แม่นามารูปมันมีอาการทุกเพราะว่าไอ้เรื่องรูปรูปปังมันไม่มันไม่มีทุกมีฉุกรอกรูปมันไม่รู้เรื่องหรอดินน้ําไฟลมมันไม่ทุกมันทุกจิตจิตนี่คือน้ำแล้วเราก็รู้นาำมารูปนี่มันทุกแล้วก็จะอ่านทุกโพนี้ออกน่ะไม่งมงายไม่อวิชชาคือไม่ไม่ใช่ไม่รู้เรียนแล้วรู้เฮเอ อ, อากาศทุกเป็นอย่างนี้เนาะจิตเจตสิกมันทุกเป็นอย่างนี้ ถ้าไปเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิก็เรียนผิดเหมือนกันเรียนผิดไปเข้าใจทุกข์สุขก็ผิดไปมันผิดเลยแต่ถ้าเผื่อว่าสัญญาวิปาลาสก็คือสัญญานี่ต้องใช้ปัจจุบันนะการกำหนดรูปกายกำหนดรูปกำหนดรูปนามมันเกิดที่เรารูปเมื่อไหร่ยังอัตมา ก, กับตากระทบรูปข้างหน้าก็เห็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นรูป อยู่ข้างนอกนมันคือรูปรูปประรูปังรูปรูปรูปรูปที่ถูกรู้อยู่ข้างหน้ามันเป็นข้างหน้าเราก็ไม่ไม่เอาเข้ามาข้างในเลยแล้วก็ไปกายนอกกายอประชุมอยู่ข้างหน้าเราเห็นแล้ว <No. S 1> ประชุมก็คือเรารู้มันต้องมีนามไปร่วมรู้กายเฉยเฉยมันไม่รู้เรื่องเราบังคุณมันไม่รู้ตัวเองเลยกล้วยเกลือพวกนี้ปองกอบมันไม่เคยรู้ตัวเองมันเป็นมหภูตรูปมันไม่รู้เรื่อง มันไม่ใช่นา ม, มารูปมันไม่เรื่องหรอกอย่างเราในสภาเรารู้นามมาทำกำําหนดรู้ถ้าสัตว์แต่ว่ากําหนดรู้ก็คือเออรู้มังคุดก็รู้ว่าเออนี่เป็นมังคุดอย่างนี้จําได้ว่ามังคุดเคยกินมังคุดรสอย่างนี้กรองกองรสอย่างนี้กล้วยน้ำว่ารสอย่างนี้จำได้จํ า, า, ด า, า, าจ ไ, ดจได้แต่เราก็เห็นแล้วเราก็ไม่ได้มีตูปลุกเรา โอ้โหอยากกินจังน่าอยากเพราะว่ามันน่ากินนเห็นรูปเห็นสีเห็นได้กลิ่นสัมผัสแล้วมันน่ามันไม่มีนี่จึงว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเอออันนี้ก็มังคุดอันนี้ก็รองกองอันนี้ก็กล้วยนี่คือสักแต่ว่าจะบอกว่าสักแต่ว่ารูปนามก็รู้ว่าอะไรรูปรู้ว่าอะไรนามและรู้ว่าเราสักแต่ว่าคือจิตของเราเนี่ย มันไม่มีกิเลสเหตกิเลสไปปรุงแต่งจึงเรียกว่าสักแต่ว่าผู้นั้นเป็นอริยะเพราะนั้นผู้ที่เอาแต่เหตุผลตักกะมาพูดว่าักต่ว่าคุณพูดถูกแต่คุณปฏิบัติได้หรื อ, อยังถ้าคุณปฏิบัติได้ก็โอเค น, น, นี่ก็คือการที่จะรู้เพราะงั้นผู้ที่คุณแปดเจ็ดศูน์หน้าเนี่ยบอกว่า จนกว่าจะได้เห็นอริยสัจสี่บรรลุอริยขั้นต้นโสดาแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถละความเห็นผิดความเห็นผิดนะมิจฉาทิจิเห็นผิดนี่จึงจะละความเห็นผิดว่าสัตว์บุคคลตัวตนวเรศเท่ากับอัตตาลงได้เด็ดขาดะละความเห็นผิดลงได้เด็ดขาดหรือก็คือละสักกาย ท, ทิฐีได้แล้วนั่นเอง แล้วคุณรู้จักสักกายหรือกายตัวนั้นอยังที่เป็นนามกายของคุณคุณรู้ไหมคุณองค์ประชุมของนามกายแล้วมันมีเหตุอยู่ในนั้นน่ะคุณก็ดับเหตุมันแม้คุณดับเหตุแล้วนามกายคุณก็เห็นอยู่ได้อย่างที่อาตมาบอกแล้วนี่จิตนี่มันเป็นนามมันสัมผัสแล้วมันก็มารู้ไม่เห็นอันนี้ให้มังคุดมันสัมผัสกันเองมันไม่รู้ตัวมันหลอมันไม่รู้เราเพื่อนมันจะไงมันไม่รู้ใหนกล้วยน้ําว้ามันสัมผัส กองสัมผัสกันอยู่กับรองกองมันไม่รู้กันหรอกเพราะมันไม่มีนามมาทำในพวกนี้มัน ม, มีตัวาธาตุรู้มไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีองค์ประชุมของนามมีาธาตุรู้เป็นนา ม, มากายเราก็จะรู้องค์ประชุมมันนั้นะไรก่ากายนะเมื่อกายแล้วองค์ประชุมของนา ม, มากายในองค์ประชุมของกายในกายนามมาทำกัรอง เ, รเนี่ยมันะสะผัสอันนี้แล้ว คุณวิเคราะห์วิจัยเข้าไปในกายได้ไม่ว่าเหตุอะไรมันรู้ความจริงตามความเป็นจริงอ้าวก็รู้ในมังคุดเป็นอย่างงี้กลิ่นเป็นอย่างี้รสเป็นอย่างงี้รูปเป็นอย่างนี้จำได้แตะเข้าไปก็จำได้รสนะสีก็เห็นแล้วรูปร่างก็เห็นแล้วถ้ามีกลิ่นก็ได้กลิ่นละก็เฉยๆในกายที่ประชุมองค์ประชุมนั้นไม่มีเหตุที่เป็นกิเลสหรือเป็นตัณหาไม่มีกิเลสตัณหา ก็ต้องเข้าใจว่าตัณหามันแค่ไหนอย่างไรด้วยความยึดวุ่งจะวต้องได้ต้องมีต้องเป็นหรือต้องไม่ได้ไม่มีไม่เป็นทําลายเลยมันไม่มีอาการตรงนี้มันเฉยๆอุเบกขาเป็นในกขมัสิตาอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์ที่เฉยๆมันรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นแล้วเราก็พิสูจน์อยู่นี่ว่าใจเราเป็นเช่นนั้น แต่คนอ่านจิตของคนออกก็เปล่าว่ามันมีปรุงแต่งไปรถอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นได้มาทําไมได้มาเสพว่ะหรือว่าต้องทําลายมันถึงจะได้เสวยผลเหมือนกันถ้าได้ทําลายมันได้ถอไม่เอาไม่ชอบเอาไปห้างห้างอะไรหรือไม่หง้งหาเอาไปเผาเลยอเอาไปทําลายเลยอะไรนี้หรือไม่ต้องเอาคุณทําลายมันเลย เองเลยทําเองเลยอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะงั้นในความหมายที่บอกว่าละสกายะทิฏฐิได้แล้วนะั่นก็ต้องรู้ว่าเขตของการละสกกายยังไม่หมดอาสวะนี่มันคือขนาดไหนความรู้ความเห็นทิฏฐิเห็นมาแล้วเจอสกายะแล้วคุณก็ลดตามเห็นสักกายนี้อัตตานุทิฏฐิแล้วก็ลดมันไปจางคลายเป็นวิราคานุปัสสีจนกระทั่งดับได้ ในโรธานุปัตซีดับได้ครั้งเป็นครั้งเป็นคราเป็นทานข้าประหารหรือว่าดับได้บ่อยดับได้เก่งดับได้นานดับได้ถาวรคุณก็จะเห็นความเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่บริบูรณ์จิตที่สะอาดบริสุทธิ์แม้กระทัสัมผัสแล้วมันก็ไม่ต้องไปทํามันเลยมันเป็นตัทธตาเป็นความจรงิงตามความเป็นจรงิงตัทธาในแปลความจรงิงมันเป็นความจริงอย่างนั้นเอง ไม่มีอะไรปรุงอะไรแต่งแล้วเพราะล้างเหตุมันจนกระทั่งมันไม่มีไม่เหลือไม่มีบทบาทไม่มีพลังงานนั้นอยู่ในจิตอีกแล้วพลังงานกิเลสตัณหาอุปทานนั้นไม่มีแล้วเราทศกัณฐ์ยังไงมันก็ไม่เกิดอายุยุย่งยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุมันสูญสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะรู้นความเป็นเรื่องของสกายติฐิก็ดีอัตตานุติฐิก็ดี ก็จะต้องเข้าใจความจริงของความเป็นอัตตาที่เรียกว่าสักกายะแม่เรียกว่าอาสวะตัวตนต่างๆเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตาเอาสัญญาวิปลาสก่อนถ้าสัญญาวิปลาสกับมิจฉาทิฏฐิกับอวิชชานี่มันต่างกันสัญญานี่คือการกำหนดรูนวิปลาสคือความคลาดเคลื่อนความตับกลาย คลาเคลื่อนไปจากความจริงับกลายไปจากความจริงสัญญาวิปลาจึงเป็นการกำหนดหมายรู้ธรรมะรู้สภาวะที่สงไว้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงซึ่งไม่ใช่สงสัยถ้ายังสงสัยอยู่เนี่ยยั ง, ย, ง, ย, งยังสงสัยไม่ใช่สงสัยในะวิจิกิจฉาสงสัยคือมันยังงงงงอยู่คาดมันคละความหมายไอ้คำกำหนดหมายคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไป มันไค่เห็นผิดเป็นการกําหนดรู้อันนี้แต่ว่าครูมไม่ถูกต้องมันแปลสภาพไปมันกลายเป็นอันนี้เอารู้อันนี้กลายเป็นอันนี้ไปนะซึ่งจะมีรายละเอียดของมันไม่ถึงขั้นเห็นผิดเห็นเป็นคนละเรื่องอันนันก็เห็นผิดหรื อ, อยิ่งอวิชชาไม่รู้เรื่องเลยพูดกันไปก็ไม่รู้เรื่องเล ย, น, น, เเลยนะเพราะฉะนั้นความสงสัยที่วิจิตรชาเนี่ยยังไม่แค่วิปลาสยิ่งเป็นความเห็นผิดยิ่ง ไม่ถึงปานนั้นเลยนั่นมันคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในะภาษาบาลีท่าเรียกมิจฉาทิฏฐิแต่วิปลาสเขาก็เรียกวิปลาสโดยเฉพาะสัญญาวิปลาสเนื้ออื่นวิปลาสเขาจะไปควบกับอันอื่นก็ได้วิปลาสแปลว่าความคลาดเคลื่อนเพราะอันนี้เราใช้กับสัญญ า, าการกําหนดหมายมันคลาดเคลื่อนหรือยิ่งอวิชานะก็หมายถึงไม่มีความรู้ที่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเอาเลยคนอวิชานี่ไม่รู้ความรู้ของของพระพุทธเจ้าออเลยนะ เพราะงั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วไม่รู้เลยไม่รู้ความไม่รู้ควาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ความเป็นธรรมะของรัฐที่ไหนก็ไม่รู้ของแบบไหนก็ไม่รู้ต่างๆนานาสารพัดซึ่งมันเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ว่าธรมะคนลรัฐที่คนลศาสนาคนลอย่างก็มีเยอะแยะไปในชาพุทธเนี่ยนะก็ยังอวิชาอยู่นั่นแหละหรือรู้ แต่มันผิดผิดไปจากธรรมะของเจ้านะรู้ถูกบ้างผิดบ้างเลยว่ามีมิจฉาทิฏฐิ้าสมาธิิหมดก็รู้ถูกเต็มถ้าสมาธิิไม่หมดก็เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิบางส่วนบางอันนะเมื่อรู้ถูกในสมาธิิแล้วมามาปฏิบัติก็ใช้สัญญากําหนดหมายความจริงอ่านรู้จากสัญญากําหนดหมายเมื่อกําหนดผิดคลาดเคลื่อนไปจากความจริง กำนดนคาดเคลื่อนไม่ากความจริงอันนั้นแหละคือสัญญาวิปัสามันซึ่งแต่ละคำของบาลีที่ยกมานี้มันมีธรรมะสภาวะคนละอย่างต่างกันไปละเอียดสุขุมกับพีระจริงๆนะเพราะงั้นต้องพยายามศึกษาดีๆนี่นแสดงว่าคนเราอาจจะวิปัาสนได้แต่ไม่ไม่ไม่ไม่ีมมมมมมชาิทิฐิก็ได้ น, นั่นใช่วิปัาสได้มันไม่ใีช้ติทิฏหนดจริงรู้ถูกมาแล้ว แต่เวลามากําหนดหมายสิ่งที่เป็นนามมาทำมันละเอียดไงมันสุขุมคัมภีระมันมันกำหนดยากก็กําหนดผิดไปเช่นกําหนดส ก, กายะกับตัวตนซึ่งต้องรู้ความหมายของภาษาว่าอัตตาหรือตัวตนคืออะไรส ก, กายะคืออะไรท่านก็นําภาษาพวกนี้มาสื่อสภาวะให้มันละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นอาสวะตัวตนตัวปลายคืออะไรคุณไปเข้าใจว่าส ก, กายะเป็นอาสวะอา้าว จบเลยมันไปไม่ไปให้ไม่รอดหรอกเป็นสกายะเป็นสภาวะอันเดียวกันกับ อ, อ, อาสวะเนี่ยสกายะอย่างนี้เป็นต้นมันกําหนดหมายผิดอ่านการสกรายะเราถูกซะด้วยนะแต่เสียแล้วไปเข้าใจว่าเป็น อ, อาสวะยิ่งไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าโอ้ยทศเนี่ยอะไรที่บอกว่าผู้จิตพลสกายะได้เลยเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะผู้ที่ละความเห็นผิดคือมิจฉาทิฐิ ละความเห็นผิดที่ยึดถือด้วยอุปทานว่าเป็นบุคคลตัวตนของเขาหรือคือเราได้ละนี่แหละคือละสักกายทิฏฐิแล้วนั่นเองพราคอว่านจเห็นผิดเห็นถูกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองถือว่าเป็นผู้ที่ละสักกายะได้แล้วไม่ต้องมีอาสวะเลยไม่ไม่ต้องมีไม่ใช่ไม่ต้องมีอาสวะของา น, ะนมันแค่เห็นไม่ผิดเนี่ยเป็นละสักกายทิฏฐิได้แล้วด้วยครับ ก็ตัวตนคุณในปฏิบัติละอย่างนัง้นส ก, กายะนั่นแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามความเข้าใจคุณแปดเจ็ดตัวท่านนี่นหมายความว่ า, าท่านละตัวตนใ้แล้วอตวาตวะก็ไม่มีแล้วน่าใช่แค่แค่อย่างนั้นเลยเพราะฉั้นเขาความสัญญากําหนดหมายส ก, กายะกับอาสวะก็โดยมุปป่งจะปนเปไปเป็นการคลาดเคลื่อนเป็นสัญญาวิปลาสอยู่ยังไม่สมบูรณ์นะขออภัยที่วิจัยวิจารณ์ไปมันก็อาจจะเข้าคือไม่ได้เจตนาจะว่าคุณนะแต่เจตนาจะอาศัยคุณ ขอบคุณที่คุณทำประเด็นมาเพื่อให้เห็นว่าคนเราศึกษาธรรมะพระพุทธศาสนาพระเจ้าเป็นเช่นที่คุณวิปแปดเจ็ดูนย์ห้านี่มีเยอะและเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยแม้เป็นอาอะไรเป็นอริยะเช่นเราเนี่ยนะก็ แล้วก็เห็นอาตมาเนี่เป็นฝ่ายเป็นพวกโง่โง่เง า, ง า, งาบัดซบ อ, อะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยแต่ความเข้าใจของคน <c oughs> ที่เขาศึกษามาเขาจะเข้าใจแบบคุณแปดเจ็ดศูนห้านี่นะครับเขาจะเข้าใจแบบแปดเจ็ดศนเยอะครับนเข้าใจอยากก่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่เยอะเพราะฉะนั้นมีเพื่อนเยอะเขาเลยเอาเพื่อนเยอะๆะมาเป็นประชาธิปไตยถือว่าชนะอาตมาอ่าเป็นธรรมดายุคไหนก็ต้อง ต, ตามยิ่งยุคกลียุคแบบนี้ยุคพระเจ้าก็คนอวิชาเยอะ คนวิชาไม่เท่าไรหรอกน้าท่านก็ช่วยคนได้จํานวนหนึ่งพระพุทธเจ้ายิ่งยุคนี้แล้วจะมาช่วยอะไรกันได้เท่าไรนะอาตมาไม่เพื่อนมากหรอกนะเพื่อนที่จะเป็นอ่าไปถูกๆต้องถูกต้องนีงไ่ไปไม่มากหรอกนอกจากก็ไปด้วยกันนี่ะทางโน้นน้าอวิชาจะเยอะนะ้าทีนี้ต้องมาเข้าใจเรื่องอัตตาน้ามารู้จักอัตตานี่จะละเอียดขึ้นหน่อยหนึ่งนะาอาจจะหมดเวลาเลยทุกอัตตานี่ก็ได้ อตตาหรืออัตตาเนี่ยหมายถึงตัวตวหมายถึงตนหรือตัวตนหรือสิ่งซึ่งถูกสมมุติขึ้นสิ่งซึ่งถูกยกขึ้นมาที่ท่านแปลว่าสวยชัดเจนน ะ, ะเรายกขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ก็คือเรายกโดยไม่รู้ล้งมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของจริงเลย แต่ถ้าพอเรารู้แล้วบอกเออนี่มันมันยกขึ้นมามีสภาวะแล้วนะมีอันนี้แล้วนะนะโดยมันถูกสมมติขึ้นมาแล้วนะอันนี้สภาวะนี้มันมีอยู่จริงนะอ่าจนกว่าเราจะกําจัดเหตุไม่ไปหมดมันไม่มีแล้วฉันบอกเออมันหมดสมมติมันหมดที่ถูกยกขึ้นมามันไม่มีและวคุณก็จะรู้สภาพนั้นมันไม่มีเป็นนามธรรมก็ตามขั้นนามธรรมก็ตามข้าดูประธรรมนี่คุณจะไปเอ็นนั่นเลยมันมวาแล้วไปเอา ไปไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาได้ยังไงมันไปสลายของเขาด้วยบอกอันนี้ตัวนี้เอ้ยบุคคลตัวๆเราเขาไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเผาหมดเลยเดี๋ยวเธอเข้าคุกไปทําได้งไงนะแต่เรามีสิทธิ์จะดูนามาทํา อ, อัตตาอัตอตาเนี่ยอย่างนี้อาตมาขยายความให้ฟังข้อกอผู้เรียนาศาสนาพุทธเนี่ยต้องเข้าใจอัตตาต้องเข้าใจความเป็นอัตตา ภาษาบาีเขาเรียกว่าอัตติธิติภาษาบาลีเรียกอัตติธิติคือต้องทิฏฐินี่คือความเข้าใจหรือความรู้ความเห็นความเชื่ออะไรก็ได้คือจิตมันเริ่มรู้เริ่มเริ่มเข้าใจต้องเข้าใจอัตตาให้เป็นสมาธิิฐก่อนเข้าใจให้มันสมาธิก่อนแล้อัตตามันคืออะไรยังไงว่าเป็นตัวตนหรือเปล่ไปเป็นสิ่งที่ซึ่งถูกสมมุติขึ้นเนี่ยมันคือยังไงก็ขอแล้วก็ปฏิบัติ ทีนี้แล้วก็มาปฏิบัติให้บรรลุความเป็นอัตตาจะได้เห็นว่าอ๋อเรายังมีอัตตาความเป็นอัตตามีเรื่มมีการเข้าถึงอัตตาเข้าถึงความเป็นจริงของเราเรามีอัตตานะ่ยเราก็เข้าถึงภาษาบาลีท่านเรียกว่าอัตตะสัมปทาตัวแรกในอัตตะทิฏฐิอัตมาเอาคาว่าอัตตาอัตมาไม่ได้ตั้งเองนะนี่มีในฐานของพระบาลีอยู่ในหลักฐานของตาราอัตตะทิฏฐิคือการ ต้องมาทําความเห็นของเข้าใจก่อนพอเห็นเข้าใจแล้วมาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วอ่าเข้าถึงแล้วความเป็นอัตตาอาเจออัตตาของเราแล้วให้ได้มาทําไม่ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อดวงอาทิตย์นซึ่งเปรียบเหมือนมรรคองแปดนี่จะขึ้ น, นเมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขึ้นก่อนเป็นนิมิตมาก่อนคือแสงอรุณแสงเงินแสงทองอ พราะงั้นใครไม่เห็นอันนี้ก่อนเลยว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงอรุณเนี่ยสุริยาไม่มีพระอาทิตย์ไม่คุณไม่ได้หรอกมรรคองแปดพระัฒเทียบกอมรรคองแปดเป็นสุริยาเพราะงั้นคุณจะได้สุริยาคุณจะได้เดินไปตามสุริยาคุณต้องมีเจอสัมผัสแสงอรุณก่อนเพราะงั้นอัตตะสัมปทานี่เป็นแสงอรุณของมรรคองแปด คุณยังไม่ได้เจอแสงอรุณเลยเนี่คุณจะปฏิบัติมรรคองแปดเนี่ยโหยิงไปสติปัฏฐานสี่ไปอะไรอะไรไปใหญ่โพกชพกโพธิปักธิธรรมนี่พูดแต่ภาษามันก็ไปได้แต่จริงๆแล้วเริ่มต้นยังไม่เริ่มเลยปฏิเสธอัตตาด้วยแล้วนี่เลยจบเลยคุณไม่ต้องไปเข้าถึงอัตตาที่คุณมีแร้วเพราะาคุณเป็นอรหันต์แล้วนี่นะคุณสมมุติว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วนี่ไอ้สมมุติซ้อนขึ้นมาเป็นอรหันต์นี่แหละส่วนมากมันจะเกะ อ ร, อริยเกยหรืออรหันเกนะเพราะการเข้าถึงอัตตาหรืออัตตะสัมปทานีนะเป็นข้อสี่ในเจ็ดของแสงอรุณยสุริยปะยานประยานสูตรนะนะในข้อที่สนะี่หนึ่งมิตรดีสหายดีอสองศีลสัมตาสามฉันทะสี่อัตตาอัตตะสัมปทานห้าจิตถิหกไม่ประมาทเจดโยนิโสมนสิการ ในเจ็ดแสงอรุณเจ็ดคุณจะต้องมาก่อนต้องได้ก่อนโรงเรียนรู้ก่อนอันนี้ถ้าไปเรียนรู้แล้วคุณไปปฏิบัติมาองศาตัวพระเจ้าตรัสไว้แล้วต้องมาก่อนแสงอรุณไม่มาเนี่ยสุริยาไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีเราไปไม่ถูกหรอกไม่ได้เรื่องหรอกต้องให้ให้ครรู้จักอันนี้แล้วเข้าถึงอันนี้ก่อนธรรมเส้สัมปทาทางนั้นนะอศีลสัมปทาชนทะสัมปทาอัตตาสัมปทานะ ทิฏฐิสัปทาอปปมะนันี่ไม่ใช่สัมปทาอปปามะนะนไม่ต้องสัมปทาแต่โยนิโสมนสิกการก็ไม่ต้องสัมปทาต้องทำใจในใจให้เป็นนะและปฏิบัติต่อจากอัตตะทิฐิแล้วก็มาเป็นอัตตาสัพปทาแล้วก็ปฏิบัติจัดการกาจัดอัตตาทีนี้กาจัดอัตตาตามที่เราเข้าใจนะเข้าใจคือทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็ตามอัต กับจัดอัตตาตัวนี้ตามที่เราเข้าใจเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิไม่ต่างจากอัตตาทิฏฐินะออัตตานุทิฏฐินี้มีคําว่าอนุคือตามความเข้าใจที่เรามีมาตามความเห็นที่เรามีมาก็ปฏิบัติตามอัตตาจัดการกับอัตตาตัวนี้ไปไปตลอดเท่าที่ผู้ปฏิบัติยังมีอัตตาได้อยู่เพราะงั้นคุณยังมีอัตตาได้อยู่คุณก็ต้องจัดการไปและต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นกําจัดมัน จราจัดอาัต arn าี้ครับจัดมันด้วยปัญญาที่เข้าขั้นวิชาแปดจะมีความรู้ขั้นวิชาแปดเป็นความรู้พิเศษของาศาสนาพุทธเท่านั้นตั้งแต่วิปัสนาญาณไปมนโนมยิทธิก็คือจัดการมีฤทธิจ์จัดการสําเร็จทางจิตมนโนมยังสําเร็จทางจิตได้จนกระทั่งได้โอโหหลากหลายมากมายหลายอย่างหลายเลี่ยมหลายบุมเรียกว่าอิทธิฤทธิญาณจนกระทั่งนึกซึ่งไปถึงที่ประสงคญาณ เป็นอย่างที่รู้รายละเอียดความเป็นทิศความละเอียดออเก็บรายละเอียดไปได้อีกอจนอ่านรู้ได้เป็นเจโตป ร, ริยญาตยาตรวจสอบตามเจโตวิยญาติหกรายได้เลยอ อ, อันนี้มันมีงี้ได้ลึกซึ้งซึ่งลึกจนกระทัง่งถึงอาสวัคคยญาณนะะเพราะงั้นถ้าเผือว่าไม่ได้ตามนี้มันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์พระอนุศาสนีนะ ด้วยปัญญาที่เข้าถึงขั้นวิชาแปดโดยตามเห็นความไม่เที่ยงของอัตตาจะเห็นอัตตาไม่เที่ยงอา น, นิจจานุปัสสีเพระปฏิบัติแล้วก็จะเห็นจริงๆเลยอนุปัสสีตามเห็นมาเออมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้อาการไม่เที่ยงมันเป็นสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเฉยๆก็ไม่เที่ยงไม่ได้มัน อ, อยาอ ก, กอีกล้ทุกข์อีกแล้วไม่ได้มันจะสุขอีกและวนะเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้แหละพ้วนวิชาทิฏฐิตามพระเจ้าปิฎกที่สิบแปดวิชาทิง แล้วมันก็ทุกก็เห็นสักกายเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้คุณก็กําจัดเหตุแห่งทุกข์ก็เห็นความจางคลายได้อัตตาคุณก็ลดได้คุณก็ตามการละอัตตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามเห็นอัตตานั้นจางคลายวิราคานุปัตติตามเห็นอัตตานั้นดับนิโรธานุปัตติแล้วปฏิบัติด้วยอาเซวนาภาวนาพระโห리กรรมั ง, สงเสร็จแล้วคุณทําได้แล้วคุณก็เพื่อรักษาผล รักษาผลที่คุณทําได้ภาวนา这才รักษาผลนะของรักษาผลที่ทําได้นี่แหละทําซ้ำเอเศวนาภาวนาทําอย่างนี้แหละภุดีกัมมังทํากันไว้ให้มากๆๆๆมากอนุรักษณาประทานโดยตามเห็นการทวนทําซ้ําแล้วซ้ําอีกนี้เรียกว่าปจนาินิปปสคานุปัตติ์ซีตามเห็นความจริงที่ทําซูนทําซ้ํำทำไปจนกระทั่งบริบูรณ์ด้จิตที่ไม่หวั่นไหว จิตมันจะยิ่งแข็งแรงมั่นคงไม่หวั่นไหวหรือมั่นคงเข้าไปเรียกว่าอเนินชาการรักษาผลในอพิสังขารสามเดียตมาว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนินชาพิสังขารเป็นการสั่งสมผลให้ไม่หวั่นไหวให้มั่นคงนะและสุดท้ายผลจิตนั้นก็ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตที่ได้ผลนั้นก็จะสั่งสมลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์ นทีนี้ข้อต่อมาก็แง่ต่อมาก็คือว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจถึงความเป็นกายความเป็นกายกายโยกายากายะนี่คือองค์ประชุมของรูปธรรมและนามธรรมาต่างทั้งรูปกายและนามากายจึงจะสามารถเห็นอัตตา น, น, นั้นได้อย่างมีความเป็นกายนอกก็ดีกายในก็ดีเข้าใจความเป็นกายนอกกายในองค์ประชุมนี่มันนอกคือไงในเพื่อไง บริบูรณ์ทั้งรูปปกายและนามกายก็เข้าใจด้วยว่าองค์ประชุมนี้เป็นรูปปกายเป็นยังไงเป็นนามกายคือยังไงนามกายหมายาถึงสภาวะรู้คำว่ารูปปกายนี่หมายถึงความสภาวะกายคำว่าองค์ประชุมนี้บอกแล้วว่ามันเป็นองค์ประชุมของจิตปิ ญ, ญญาณด้วยครบทั้งหกอายตนะก <c oughs> ายนี่ต้องรวมครบทั้งหกอายตนะนะ ถ้าไม่ครบทั้งหกอายตนะเนี่ยตกไม่บริบูรณ์ mm hmm. พดดเพราะฉะนั้นผู้ใดจะปฏิบัติธรรมจนอาสวะบางอย่างลดได้เป็นกายยศขีบุคคลถ้าไม่ถูกต้องวิโมก8แปดด้วยกายนะ mm hmm. และก็เห็นแจ้งสภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาสมปัญญาอย่างแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านและก็จงกระต้งเห็นอาสวะสิ้นไปนะอาสวะปริที่นา จนกระทั่งอาสวะดับสิ้นคุณไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าคุณบรรลุสูงสุดได้ท่พระวิชาสัจจปฏิไว้ชัดเจ น, นเป็นเวทนาในเวทนาคุณก็จะต้องรู้นามรูปที่เป็นเวทนากายในกายหรือกายนอกกายในเวทนาในเวทนาจิตในจิตที่กำหนดรู้ได้ด้วยจิตพวกนี้ใช้จิตเจตริคนี่เรากําหนดรู้จนกระทั่งถึงขั้นเหลือแต่ภายในเป็นอรูประอัตตา เพราะใ น, นอรูปรอัตตานี่คุณต้องหมดแล้วกิเลสนอกกายนอกสัมผัสแล้วก็ไม่มีกิเลสกามาวจรแม้รูปาวจรสัมผัสแล้วไอ้เป็นรูปหยาบอยู่เนี่ยมันยังอยากเห็นบางทีมันเังเพลเพลเพลไพรอะไรอยู่เนี่ยคนก็ดับหมดแล้วเหรืออัตตาขั้นอรูปเนี่ยเป็นธรรมในธรรมทรงไว้อยู่ในแม้จะเป็นอัตตานี้ก็ต้องกําหนดรู้มานายตนกะกัตธรรมายตนะนั้นได้ด้วยสัญญาเท่านั้น โดการกำหนดหมายหรือสัญญาเพราะันคุณใช้สัญญาไม่เป็นคุณไม่สามารถเก็บละเอียดสิ่งเหล่านี้ได้เลยถึงกายในองค์ประชุมทั้งหมดถึงกายในที่เป็นกายในขั้นอรูปนะอจฉตังอรูปะสั้นยีกำหนดรู้อรูปในภายในโดยตนเองเอโกและ ไอนอกแน่นอนพระอิทธารูปานิปัสสติก็ต้องเห็นในรูปภายนอกในวิโมกข้อที่สองเพราะคนที่จะเข้าใจสภาวะธรรมในวิโมกต่างๆข้อหนึ่งก็ดีก็อสองก็ดีนี่ไม่ง่ายจะเข้าใจสภาวะทบครันพราะอาตมาก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจท่านที่พูติท่านไม่มีสภาวะท่านแปลในพระเจริจยิงแปลวิโมกข้อที่สามนะเป็นผู้ที่อะไร พิมโมคขดีสามไม่ อ, อะไรเห็นไปไปว่างามอะไรมาจำไม่ได้แล้วพิมโมคขดีสามสุพันเตวะอธิมุตโตโหติอ่ะจิตน้อมไปว่างามนีจิตน้อมไปว่างามอามจตจารก็เห็นใจเห็นใจสั่นแปลเพราะว่าคือไม่ไม่เข้าใจสภาวะว่า ไอ้น้อมคืออะไร อ, อ, ธ, อธิมุตโตหรืออธิโมกโคเนี่ยจิตมันมันเดินทางโน้มไปหาความหลุดพ้นไงมุตโตหรือมตโมกโคในความหลุดพ้นมันเจริญอธิเนี่ยมันเจริญไปส่วนนั้นมันเป็นโชคของผู้ที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นมันเดินไปตรงนี้อยู่เรื่อยๆมาสุดท้ายมันก็จะเป็นมิโมกสุดท้ายมันก็จะเป็นมิมุตสุดท้ายเลยมันก็มไม่มีแล้วมันไม่แค่อธิเท่านั้นมันแค่เจริญวิ่งเท่นั้นเอง มันถึงขั้นหมดเลยไม่มีบรรลุหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์วิโมหรือวีมุดไปถึงที่สุดสุดพันเตวะท่านจะสามารถที่จะได้สิ่งที่หน้าได้นามีสุภะจนถึงที่สุดสุดพันเตวะอันตะท่านก็พยายามทำจนกระทั่งสำเร็จก็จะมีสัญญากำหนดรู้แม้ แม้อัตตาที่เป็นโอราริกอัตตาเรียกว่าอัตตาหยาบนะตั้งแตโอราริกอัตตาหรือจากหยาบที่เกี่ยวข้องข้างนอกเข้าไปถึงข้างในและคุณก็รู้อัตตาที่ในใจเรียกว่ามโนมยะอัตตาอัตตาที่มันรุงแต่งกันอยู่ ข้างในเป็นตัวอัตตาสําเร็จเรียกว่ามโนมโนมยะปฏิลาโภอ่าเป็นราบของเราแล้วะนอ้อที่สําเร็จด้วยจิตนั่นนะ่ะมันก็แล่ะมันเป็นอัตตาอัตตาปฏิลาโภมโนมยังอัตตาปฏิลาโภนะเราก็รู้ว่าเออนี่มันยกขึ้นมาสมมติขึ้นมาสิ่งสมมติขึ้นมาอัตตาเนี่ยอัตตาสิ่งสมมติขึ้นมายกขึ้นมาแล้วแล้วเรา สำเร็จคืออะไรสำเร็จเป็นโลกีแล้วก็จมอยู่กับโลกีหรือว่าสำเร็จพระคุณได้มณสิการได้ทําใจในใจของคุณจนใจของคุณไม่มีเหตุที่มันเกิดอัตตาแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตามันไม่มีนะไม่ใช่อัตตาปฏิลาโภได้ความเป็นอนัตตาปฏิลาโภเลยได้ความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นในขั้นอรูปก็ดีในขั้นโอาราลิกอัตตาก็ดี ก็จะเข้าใจในมโนมนจะาอัตตาของเราชัดเจนว่าเรายังยึดอัตตาสำเร็จในจิตสำเร็จอยู่อย่างโลภีสาเร็จอย่างเป็นโลกุตระแล้วไม่มีอัตตาแล้วเป็นอนัตนตะปเิลาโพได้มาซึ่งอนัตาแล้วเรก็จะต้องเข้าใจเห็นชัดเจนเลยแม้แต่เหลือสุดปลายอรูปอัตตาก็จะเห็นครบถ้วนรู้จริงรู้เห็นแจ้งแม่นคมชัดใน อตตกายาหรือนานตตกายานะอตเอกัตาก็คืออตตาเนี่ยอตตา <c oughs> อย่างเดียวกัน <c oughs> กายาก็คือการประชุมองค์ประชุมประชุมของอตตาได้องค์ประชุมอตตาอย่างเดียวกันหรือองค์ประชุมต่างกันนานตตกายา ก็จะเข้าใจเข้าใจแอบตาที่มันเป็นเอกตักหรือมันเป็นนานาตักหนึ่งนี้เป็นตน้นซึ่งจะชัดเจนในสิ่งที่ท่านกล่าวเป็นพยัญชนะพวกนี้ก็ตามนะก็จะชัดเจนเออกายนอกกายในเอกตั ก, กายาหรือว่าอนานาตั ก, กายาชัดเจนนะเดี๋ยวค้อยไปพูดรูปรูปนามอีกทีหนึ่งที่จะอธิบายนานาตั ก, กายาหรือว่าเอกตั ก, กายานี้ไปอีกทีหนึ่งนะ เพนผู้ที่มีสภาวธรรมในตนแล้วนี่ขั้นปรมาตธรรมที่แท้จริงแล้วพ้นอุปทานข้อที่ว่าอัตวาทุปาทานผู้ที่พ้พนข้อที่ว่าอุตาปตะตร า, าแล้วจริงก็จะสามารถภนะพภ พ, พนะนะพ้นอัตวาทุปาทานคือไม่ใช่เอาตวาถ้าเอาแต่คำพูดเป็นตักกะอยู่งั้งนต่างนานาเข้าใจดีเข้าใจแล้วอย่างพวกเซนนี่เป็นต้นน้าสงสารพวกเซนเนี่ยเขาจะศึกษาแต่ปัญญาตรกกะ อ่าเข้าใจเนึ่องว่าตัวเองมันรู้ได้อะไรใดมันไม่เข้าถึงสั้นปรามาถ้เข้าถึงสภาวะนะเพราะฉะนั้นโพวกที่มียังไม่อ่าพวพนอุปทานข้อที่ว่าถ้าพ้นอุปทานข้อที่ว่าอัตวาตุบาทานคือไม่เอาแต่ภาษาพยายามเรียนรู้และไปปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงจิตเจตสิกจริงๆโดยเฉพาะครบถันกายโยทั้งสัมผัสภายนอกภายในก็จะสามารถพอรู้ได้ว่า ผู้ที่พูดด้วยวาจาอธิบายธรรมมออกมาให้เราได้รับฟังนั้นอาติมานี่ก็ฟังที่ท่านพุทธธรรมมาไม่ให้อาตมาฟังก็พอรู้ได้เป็นผู้มีสภาวะแห่งธรรมตามที่เขาพูดหรือไม่เราก็จะพอฟังออกว่า เ, เขามีสภาวะหรือไม่หรือว่าเขายังมีอัตวาทุปท า, านอยู่เราจะรู้ว่าอ๋อนี่มีแต่พจน์ช น, นะมีแต่ภาษามีแต่คำพูด แต่เขาไม่เข้าถึง ม, มันจะมันจะฟองกันมันจะเห็นชัดเจนนะเพราะว่าเขาได้แต่ภาษาคำพูดเท่านั้นนี่แหละอัตวาทุ ป, ปาทา น, นความเป็นปรมาตม ธ, ธรรมที่เป็นจริงเขายังไม่มีนะก็ได้แต่ภาษาวาทะมันจะพอฟังและก็พอรู้ได้พอเข้าใจได้นะทีนี้ผู้ที่จะรู้จะชัดเจนเขาต้องรู้จักรูปนามอย่างชัดต้องรู้แจ้งในความเป็นรูปเป็นนาม เรียกเรียกโดยกันก็ได้คือรูปนามขันห้าก็เรียกไปเลยรวมๆเป็นขันแจกเอาไว้ห้าขันรูปขันนามนามขันก็สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาจะแยกชัดเจนไม่สับสนไม่สับสนทั้งความเป็นรูปรูปคือรูปที่ถูกรู้รูปรูปรูปรูปอย่างเนี้ยมังคุดถูกเรู้มันเป็นรูปรูปอยู่ข้างนอก มันก็เป็นตัวมันอยู่อย่างนั้นอะไรยังไม่เอาเข้ามาข้างในอ่ายังไม่เอามาเป็นกายในกายกายนอกกายมันก็รู้อยู่ครับเป็นรูป ร, รูปนะหรือว่านามมารูปทีนี้อ่านนามของเราใจของเรามันกระทบรู้แล้วเออนามนี่มันรู้ทีนี้ในนามในในนามธรรมาจิตเจตสิกต่างๆมันมีขันนามธรรมาเวทนาขันสัญญาขัน สังขารขันวิญญาณขันอย่นี่เป็นต้นแล้วก็อ่านนามสัญญากําหนดรู้รู้วิเวทนามันเป็นยังไงสังขารมันเป็นยังไงหรือวิญญาณมันเป็นยังไงแล้วก็จะรู <c pronouns> ้องค์ประชุมของเวทนาองคประชุมของสังขารองค์ประชุมของวิญญาณนะเพราะฉะนั้นองค์ประชุมของรูปต่างๆนี่ก็ไปถึงองค์ประชุมดุกายะเนี่ยเรียกว่ารูปประกอบองประชุมกายรูปประกายเนี่ยนะองประชุมของรูป และนามากายองค์ประชุมของนามเราจะให้มันแยกกันออกว่าเป็นนามากายเฉพาะสัญญามันไม่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยมันเฉพาะข้างในกายเลยขอไปมันไปในกายแล้วเป็นนามากายเฉพาะเลยสัญญากําหนดรู้ระลึก ข, ขึ้นมาดูเองไม่ต้องลืมตาไม่ต้องอะไรพวกปฏิบัติทำนั่งสมาธิก็จะมีแต่พวกนามากายพวกนี้ น่าไม่มีนามากายที่มีรู ป, ปรกายข้างนอกองค์ประชุมข้างนอกด้วยเลยเพราะฉะนั้นองค์ประชุมข้างนอกนะั้นมีทั้งนามากายด้วยมีทั้งรู ป, ปรกายด้วยกายที่ว่านี่มีทั้งรูปข้างนอกที่กาหนดรูด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนามเป็นตัวรู้จึงเป็นอยนายตนะสิบสองครบับนะกายนอกกายในหรือว่าอัตตกายาหรือว่านานตักกายาก็จะแยกออกได้หมดเลยว่านามขององค์ประชุมต่างๆเนี่ย อย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านแปลว่าเอกตักายาอ๋ออย่างนี้แหละเป็นฌานอย่างนี้แหละเป็นสภาพอภัสราอย่างในวิญญาณที่ติดเจ็บอย่างนี้แหละเป็นสุปกินนะฮะไม่ได้มีรูปร่างตัวตนนะแต่อ่านนาะมาทําออกว่านี่เป็นเทพเทวดาอเทวดาแบบอย่างเทวนิยมหรือเทวดาอย่างโลกุตระอะเทวนิยม ก็แยกได้รู้ได้น่ะอต ก, กายาหรือน า, นานต ก, กายากระทั่งกายต่างๆถึงขั้พรหมกายองค์ประชุมแห่งจิตบริสุทธิ์พรหมในบริสุทธิ์บิสุทธิเทศ พ, พรหมกายคือองค์ประชุมความบริสุทธิ์แหละไม่มีกิเลสตัณหาอุปท า, านอยู่แม้ในขณะนั้นก็เป็นพรหมชั่วคราวหรือยิ่งได้ท้าวรเลยก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นพระพรหมเป็นจิตยิ่งใหญ่เลย ได้หรือธรรมกายก็จะรู้ทรงไว้ซึ่งองค์ประชุมนั้นธรรมกายแล้วองค์ประชุมของธรรมกายเนี่ยธรรมะคือกลางๆเป็นอะธรรมก็ได้เป็นธรรมะก็ได้มันกลางๆเพราะฉะนั้นมันจะอกุศลธรรมประชุมกันอยู่ก็ได้เป็นกุศลธรรมประชุมกันอยู่ก็ได้ธรรมกายซึ่งต่างกับพรมกายเพราะฉะนั้นผู้ที่มีธรรมกายที่บริสุทธิ์ถ้าท่านหมายโดยเจตนา ว่าหมายถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์เป็นพรหมรกายก็ต้องรู้ในความหมายที่ท่านเจตนาแต่ถ้าไม่ก็ธรรมกายก็คือแบ่งได้เป็นทั้งธรรมะที่ยังไม่บริสุทธิ์กับธรรมะที่บริสุทธิ์นะเพราะั้ผู้ที่จะสามารถกำหนดได้ชัดเจนตรงนี้จึงกำหนดกายสัญญากำหนดกาหนดกายจึงจะไม่กำหนดหมายรู้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงสัญญาไม่วิปลาสก็เพราะว่า เข้าใจทางปริยัติและก็ไปปฏิบัติกําหนดถูกต้องหมดเลยไม่คลาดเคลื่อนนะนี่คือรู้จักรูปนามแบ่งแยกรู ป, ปรูปนามได้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วทุกอย่างมันก็มีแต่รูปกป็นามเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอา่าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าไม่มีอะไรแตร่ไรไม่มีอะไรพู้นี้นี่เอาแต่ตีทิ้งแบบนี้นะไม่ได้กละเอียดละอว์ทั้งรูปทั้งนามอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ไปพูดรูปประกายนามปรกาย เออหรือว่านามมารูปอ่านามมารูปหรือว่าออกายนามากายอะไรพวกนี้ยุ่งสิยุ่งเออแล้วมันอะไรกันแน่ไว้รูปรูปนามมารูปหรือว่ารูปรูกายนามมากายมันยังไงกันแน่ไว้อ ะ, อะมันมีนามมานามไหมเนี่ยไปกันใหญ่เลยเด็กก็จะหานามมานามไหมเอาจะมาก็ไม่เคยได้ยินที่วไการพูดนามมานาม <c oughs> อ่าทีนี้เอาอีกสองคำจะทันไหมนี่อรหันน่ะคำว่าอรหันอ่าคำว่าอรหันเนี่ยคือผู้หมดสิ้นตัณหาออรหันนี่คือผู้หมดสิ้นตัณหาหมดสิ้นตัณหาแล้วสิ้นเกลี้ยงจึงจะเรียกอรหันอันตะปลายจบเลยนะอรหันนี่ยสิ้นเกลี้ยงเลยต้องเป็นผู้ที่รู้ ชัดเจนในสิ่งที่หมดจบต้องสิ้นจริงๆตามลำดับตามลำดับอย่างที่ตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงในในตนต้องตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงไม่ประมาทไม่ดูถูกว่าเรามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาไม่ดูถูกต้องเรียนรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงปฏิบัติไปก่อนพิสูจน์ยืนยันเลยนะความจริงในตนมาตลอดสายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพุทธิปฏิบัติจะ ตามตรวจของตัวเองมาตลอดสายเช่นดับกามตัญหาแล้วจึงจะดับภวะตัญหาเป็นขั้นตอนเบื้องต้นตรงกลางมันปลายกามตัญหาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายคือกามคุณหา้ามันเกิดกา ม, มาวจร อ, อยู่ในกา ม, มาวจรก็คือมันดําเนินชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสมบัดเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดกิเลสเกิดตัญหาเกิดอุปทาน เราก็กําจัดเหตุเขาทมันเกิดตัณหาอุปาทานนั้นได้เรื่อยๆตามลาดับมันก็จะหมดกิเลสโดยไม่จําเป็นจะต้องหมดในกา ม, มาปจรหมายคือว่าดําเนินชีวิตอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ต้องไปดับหูหลับหูหลับตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไม่ช้องไม่ต้องแต่ดับเหตุในจิตได้แล้วอันนี้แหละ ต่างกันมากเลยกีับความเป็นฌานความเป็นสมาธิของผู้ที่ไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายที่ท่านเรียนกันมาส่วนใหญ่เลยอามารมาเกือบหมดมั้งเกือบหมดมั้งเพราะผู้ปฏิบัติธรรมพระเจ้าในฌานก็มีกามาวาจรสมาธิก็มีกามาวาจรหรือนิโรธก็มีกามาวาจร อ, อยู่แต่ท่านนิโรธจริงๆท่านไม่มีล้ดับกิเลดสนิทละเปลี่ยนอาสวะไม่มี ถ้าไม่ได้เป็นคนประหลาดไม่ได้ว่าจะมีนิโรธก็ต้องไปนั่งหลับตาปิดหูปิดตาไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะดับกิเลสกามก่อนตัณหากามกามมาตัณหาแล้วก็เพราะวาตัณหาคือรูปรนะูปเพราะวาตัณหาคือรูปภพอรูปภพและสูงขึ้นไปถึงอะู ป, ปาวจรนามข้างในเลยซึ่งล้วน ทุกอย่างในล้วนมีวิญญาณหกอยายตนะหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกตัณหาหกก็คือตัณหาที่มันเกิดทางตากระทบรูปหูกระทบเสียงตัณหามันก็นเกิดจะมูอ ก, กระทบกิลิย์กระทบสรสผัสสะกายกระทบสะพัดเสียดสีมันเกิดตัณหาอยู่อย่างชัดเจนเลยว่าเรากระทบสะพัสอยู่เนี่ยพุทธสารโลกาธรรมิจิตตังยัสาน ก, กรรมปติสะพัดอยู่ยนั้นก็ไม่มีเคลื่อนคลาย วันไว้ไปอะไรเลยไม่กระดิกเลยอุเบกขาอยู่กลางหรือมัชชิ ม, มาเฉยกลางไ ม, ไม่ไม่ไม่มีอะไรวันไหวนนี่ทึ่ไปสู่ความจริงพร้อมเลยมีพร้อมอยู่ทั้งหมดเลยะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอายตนะผัสสาวเวทนาครบทั้งหกหกประตูอยู่ในภาวะที่มีกามาวาจร น, นั่นแหละที่สามารถดับตัญหาหมดสิ้นไม่เหลือมแม้พบชาติในขณะผัสสะ ในพรรษะอยู่เนี่ยพบชาติก็ไม่มีไม่เหลือนะ่ะจึงจะเป็นการสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายเนี่ยจึงจะเรียกว่าการสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายสําเร็จอิริยบทอยู่ทั้งอาสวะของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วในะพรรษาอยู่อาสวะก็หมดไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนะอาตมาล่อภาษาบาลีมาด้วยนะอัฐวิโมกเคกาเยนะพุทธิตวาวิหรติ ปัญญายาจัดสทัทสวาอาสวะปริคีนาโหติเกิดสภาสมบูรณ์อาสวะได้ศูญย์สิ้นไปแล้วปริคีนาสิ้นรอบไปแล้วดับสิ้นหมดแล้วแต่สามารถจับตัวตนของกิเลสได้ด้วยสามารถจับตัวตนนะเวลาปฏิบัติจับตัวตนของกิเลสได้ด้วยกายปาคุณยตาสัมปไหม่ กายะก็คือกายกายปาคุณคุณยตาคือจิตของเราความคล่องแคล่วของนามกายกายปุญยาปาปากายปาคุณยตาเนี่ยคือความคล่องแคล่วแห่งนามกายหรือธรรมชาติทำนามกายคือจิตใจจิตสิกทั้งหลายเนี่ยให้แคล่วคล่องว่องไวรวดเร็วฝึกให้มัน เกิดอันนี้อย่างคล่องแคล่ว เ, เลยดัฝึกไปมันจะเกิดกายะปุลกายะมัจจุปุลกายะปาคุณยตากายปาคุณยตาคุณคุณยะก็ยอหญิงสองตัวกายปาคุณยตาเป็นความแคล่วคล่องของนา ม, มากายคือองค์ประชุมของนามมาทำของเราเนี่ยมันแคล่วคล่องมันว่องไวมันรวดเร็วมันหรือว่ามันเป็นมุทุภูฏภูตักมุทุภูก็คือจิตหัวอ่อนจิตง่ายแววไวนะ นี่มันจะไวมันอ่อนไวนะด้วยกายวิญญาณกายวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะโพธพภะกระทบเพราะว่ามันกระทบทางโพธิภะทางกายโพธพภะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นอ่าแี่เรียกว่ากายวิญญาณนะเกิด องประชุมของวิญญาณที่มันเกิดขึ้นเพราะกระทบสมัมผัสมีปตภ ะ, ะกระทบแล้วกายก็เกิดเกิดความรู้ขึ้นองค์ประชุมนั่นก็เกิดความรู้ขึ้นเป็นนามกกายรู้ด้วยกายปัสจิตธรรมกายหลายกายเลยจะนี่มาด้วยกายปัสจธิก็คือความสงบระงับแห่งนามกกายปัสจจิความสงบระงับแห่งนามกกาย ธรรมชาติทํานามกายคือจิตเจตคือเจตสิกทั้งหลายเนี้ให้สงบเย็นความสงบเย็นแห่งกองเจตสิกก็คือนามกายนามกายของเราสงบเย็นแล้วทาให้เสร็จได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจไปถึงขั้นสมบูรณ์ในความเป็นอรหันต์รู้องค์ประชุมได้ว่ากายใสติสัมผัสเรีกายอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะเข้าใจหมดกายยปัสสธิกกายวิญญาณ กายกายยาปาคุณยตาอ่าถึงจิตของเราจะแว่ายคล่องแคล่วรวดเร็วสามารถทํางานได้เป็นมุทุพูตผูตับมุทุพูเตมุทุพูต ธ, ตธตทาตาาจิต ท, ที่มันเจ้าคลองว่องไวเพราะเราจะจำแจ้งในความมีหรือความไม่มีเช่นกิเลสมีหรือไม่มีกิเลส มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็จะเห็นชัดไม่ใช่ชัดๆเลยโดยญาณปัญญาของเราไม่ใช่งมงายไม่ใช่เดาไม่ใช่ขาดคะเนนเลยมีอัตตาหรือไม่มีอัตตาหรือมีโลกสมุทัยหรือไม่มีโรคสมุทัยมีโลกนิโรธหรือไม่มีโรคนิโรธโลคสมุทัยคือโรกที่ยังมีเหตุเหตุแห่งทุกโลคนิโรธก็คือโลกที่ไม่มีเหตุแห่งทุกดาวดับเหตุแห่งทุกหมแต่มีโลกอยู่เป็นโลกโลกรุตระ เป็นปรโลโกโเป็นโลกใหม่โลกของผู้เจ้าคุนพบเรียกว่าโลกโลกุตระผู้ผู <c oughs> ้บรรลุสัญญาเวทิีตันนิโรธแล้วมีกายหรือไม่มีกายก็จะรู้เป็นต้นเพราะองค์ประชุมของกิเลสไม่มีเลยมีแต่องค์ประชุมของอย่างอื่นรูปธรรมนามธรรมาแล้วก็อยู่กับรูปธรรมนามธรรมศักแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมมัจะ ท, ท, ทำงาน แต่กายของตัวตนของจิเลตันหาอุปทานหมดสิ้นอาสวะหมดเลยก็จะรู้องค์ประชุมของตัวนามาทมเฉพาะนั้นมันไม่มีจริงๆมันหมดเปลี่ยงจริงๆ่ะเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าภาวะที่ยังมีย่อมมีภาวะที่จะให้ไม่มีสำเร็จแล้วย่อมไม่มีแล้วก็สำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่โลกไม่ควรจะมี เพราะฉะนั้นอะไรจะให้มีอะไรไม่ใช่จะให้มีมันจะมีอยู่ยังไงเราก็ยังไปดับเครื่องเราดังมีอยู่มันก็ต้องมีไอ้สิ่งที่จะไม่ให้มีมันไม่มีได้สำเร็จเลยไอ้นี่ต้นนะอ่ะอาระตมามันยายมายังเหลือเวลาอยู่นาทีหนึ่งแบ่งให้ท่านเดินดินหน่ัเขาก็ดูว่าความแตกต่างนะก็จริงเท่าที่ดูคุณตัดเจตศูนย์้าเนี่ยเขาเป็น เขาเกาะความคิดของศาสนากระแสหลักเขาถึงบอกว่าความคิดแนวทางการสอนของพวกครูเนี่ยเหมือนแก่ดำที่มีแตกความแตกต่างจากคนทั่วไปที น, นี้จุดจุดสาคัญของพวกครูที่คิดว่ามีความแตกต่างจากทั่วทั่วไปก็ตรงที่ว่าทายังไงจิตวิญญาณของของเราจะ บ, บริสุทธิ์จะ บ, บริสุทธิ์ได้มั น, มนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ศาสนา อย่างที่เขาบอกว่าศาสนามีแค่ศาสนาพูดกับศาสนาคิดคือเลยนว่าบทบาทของศาสนาจะมีแค่พูดกับคิดแต่ว่าจรละละอัตตาละโอราลิกาตาเนี่ยแต่มาสก็่ก็ไม่มีใครมาขยายความนะว่าโอราลิกาตาคืออะไรมโนมาอัตาคืออะไรอรูปาตาเนี่ยคืออะไรก็ไม่มีใครมาขยายความท่านทู้ท่าก็สรุปไปแล้วว่าทําความเห็นได้เห็นว่าไม่มีตัวกูของกูก็ดูเหมือนว่าแค่นี้ก็จบแล้วทาความเห็นว่ามีตัวกูของกู หรือไม่เห็นว่าเป็นตัวตนของตนอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราไปฟังดูสํานักที่ได้รับความยอมรับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันตัวจบแล้วก็ไม่มีรายละเอียดว่าเอ๊ะตัวตนที่มันเป็นกิเลสอนุสัยอาสุวะนะเอโอราริก า, าตาตัวตนขนาดใดขนาดกลางขนาดละเอียดจะลักกันอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีก็จะมีแต่พูดตัวจบแล้วคนส่วนใหญ่ก็ชอบฟังด้วยเพราะว่าฟังแล้วก็สาบาย อ, อกสาบายใจหมดตัวหมดตนแล้วก็ สบายไม่ต้องไปทําอะไระแต่ว่าฟังพ่อครูแล้วจะรู้สึกว่าพอพอไปพูดถึงเรื่องกิเลสเขาเเนี่ยโอราลิกาตาเขาในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อ ง, อ ง, ร, องรับสมบัติความหวงแหนอะไรอย่างนี้มันมันบาดเจ็บแล้วก็ก็จะไม่ค่อยมีคนอยากจะฟังเท่าไหร่ก็ทําให้คุณตาดเจ็บดัวหนะ้าขมั่นใจว่าพูดอย่างพ่อครูเนี่ยเป็นแกะดำมีคนส่วนน้อยแต่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในจิตตังของศาสนาพุทธก็มีความมาว่าเหมือนกับเขาโคกับขนโค ถ้าคนที่จะเข้าใจได้ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความลึกซึ้งที่ที่คิดว่าเ อ, อมันเหมือนกับชีวิตของนุ่นมันมีความพิเศษมากเลยแต่ว่าพอโดนอัตตาทั้งหลายโดนกิเลสทั้งหลายนี่เข้ามาครอบงําแต่ขยังงัดตัวเหล่านี้ออกมาได้ให้เห็นหน้าโจรหน้ากิเลสหน้าตัวร้ายอย่างนี้ได้มันถึงจะพบความพิเศษอันนี้คิดว่าพ่อครัวคงทาตามเป้าได้แล้วเนื่องจาก เนื้อหาที่นี้เรียกว่าเตรียมมาเฉพาะเลยทายํามาโดยเฉพาะแล้วก็ก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ทําความเข้าใจงันเราก็คงจะคิดว่าคงจะต้องไปตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งที่พ่อครูขยายไว้วันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความรู้สึกอย่างสูงนะครับถ้าขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ฟังกันจนครบสองชั่วโมงก็จะได้ทำ